ขอเจอเริญพรคุณโยมเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนใจฝ่ายธรรมะทุกทุกท่านอรตมามาที่นี่ก็ชื่นใจนะคุยกับคุณโยมเจ้าของสถานที่ซึ่งมันนั่งคุยกับมาบอกว่าปีนี้ก็เด็กขึ้นมาอีกปีหนึ่งแค่หกสิบเก้าขวบท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าโอ้ยหลวงปู่สุภาท่านอายุ ต, ตั้ง1้อยสบสี่ปี เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบกับหลวงปู่นี่จะเด็กมากนะอาจารย์นะ <c oughs> 60กว่าเอง <c oughs> นะอายุไม่เป็นปัญหาถ้าเรามีธรรมะนะถ้าเรามีธรรมะแล้วอายุมากๆ ก, ก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกมากๆากแต่ถ้าไม่มีธรรมะนะอายุมากๆ ก, ก็เป็นอันตรายต่อ บ, บ้านเมืองมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุมากขอให้อายุของเรามันมากพร้อมๆกับประโยชน์ที่เราได้ทาให้กับโลกมากๆ แต่ถ้ามีอายุมากมากแล้วมีประโยชน์น้อยลงน้อยลงอย่างนั้นก็ไม่ควรจะอายุมากนะแต่อายุมากแล้วเปิดบริษทัทให้เป็นธรรมสภาวันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ใช้คำว่ารงธรรมเกณฑนะอันนี้แหละเป็นการมีอายุมากที่มีคุณค่าพูดถึงเรื่องอายุมากก็จะโยงเข้ามาสู่เรื่องที่เราจะพูดวันนี้เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความกระตัยู วันที่13เมษายนนี้เป็นวันครอบครัวเป็นวันกตันยูของประเทศแต่มีกี่คนที่จะตระหนักรู้เรื่องนี้ฉะนั้นเมื่อถึงปีใหม่ใครต่อใครหลายคนก็จะนึกถึงวันหยุดยาวซึ่งปีนี้รัฐบาลให้ทั้งห้าวันใช่ไหมท่านให้เราหยุดยาวทำใหม่คุณยวมรู้ไหมหลายคนบอกโอโหหยุดยาวแบบนอนสตอปอย่างนี้แนละ้วหอสุดยอด จองโรงแรมที่โฮเ็นที่พัตยาไปมาเก๊ากกาะมาดิฟบินไป็นเหลร้อนที่บอสตันอเมริกาหรือไม่งั้นก็ไปช้อปปิ้งที่ปารีสนี่วันหยุดยาวอย่างนี้หลายคนคิดแต่จะช้อปปิง้งคิดแต่จะพักร้อนทั้งทั้งที่ในยะอันสำคัญที่สุดของวันสงกรานแบบล้านนาก็คือกัะตันอยู่ ท่านให้เราหยุดวันสงการเพื่อให้เรากลับไปหาคนที่มีพระคุณล้นเกรดล้นเกล้าของเราฉะนั้นวันสงการความหมายโดยเนื้อหาที่ชัดเจนที่สุดก็คือวันกตัญญูแต่มีกี่คนที่จะนึกถึงสงกรารในมิติของวันกตัญญูโดยมากเมื่อเรานึกถึงวันสงการเราก็นึกถึงการเล่นน้ำถ้ากรุงเทพก็นึกถึงการสระน้าที่ถนนข้าวสาร เพราะฉะนั้นมีมีกี่คนที่เมื่อถึงฤดูหรือถึงเทศกาลสงครานจะเนื้อว่าโอ้สงครานนี่เขาให้กลับบ้านนะให้ไปไหนให้ไปรถน้ําดําหัวนี่สาระของวันสงครานอยู่ตรงนี้คือคนทุกคนกลับไปหารากเงาของตัวเองแล้วไปรถน้ําดําหัวผู้มีพระคุณของเรา ธรรมภาพเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อธรรมะติดปิกตั้งชื่อว่าบนหนึ่งตั้งชื่อว่าน้ำทุกหยดมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มาแปลเป็นภาษาธรรมะก็คือกระตันอยู่นั่นเองฉะนั้นนั่งอยู่ในห้องนี้เราก็เป็นน้ำหยดหนึงน้ำหยดนี้ไหลมาจากไหน ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไหลามาจากเมืองน่านตาน้ําท่านอยู่ที่เมืองน่านไหลเลาะล่องมาตอนนี้ก็ปลาเป็นตาน้ำผลิอยู่ที่กรุงเทพให้ความชุ่มเย็นแก่ลูกศิษย์ลูกหาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลั ย, หลยให้บริการทางปัญญาแก่คนทั้งโลกอดัมมาตาน้ําของอดตมมาก็อยู่ที่เชียงราย แต่มาก็ไหลาจากขุนเขาที่จังายมาตอนนี้ก็มาเป็นตาน้าผุดพรายอยู่ที่วัดเมมบญจมบประพิษกรุงเทพแล้วทุกท่านทุกคนนั่งอยู่ในห้องนี้ต่างคนต่างก็เป็นตาน้าและกว่า9กเปอร์เซนตต้นน้ำล้วนอยู่ที่ต่างจังหวัดเราเป็นตาน้ำแต่ละหยดแต่ละหยด ไหลาจากต้นน้ำของเราแล้วก็ไปเจริญเติบโตแพร่หลายให้ความชุ่มชื่นแก่ผืนดินผืนป่าแมกไม้ไพรพงอยู่คนละจุดคนละจุดแต่ตาน้ำทุกตานั้นเคยคิดถึงต้นน้ำของตัวเองหรือไม่บรณอาจารย์ของเราท่านฉลาดมากท่านจึงจัดให้มีเทศกาลสงการานเพื่อที่ว่าอยากจะให้หยดน้ำทุกหยดนั้นในหววคิดถึงต้นน้าของตัวเอง ฉะนั้นคำว่าน้ำทุกหยดมีต้นน้ำก็คือคนทุกคนล้วนมีที่มาในโลกนี้มีคนจำนวนมากรู้จักแต่ตัวเองในปัจจุบันขณะแต่หลงลืมตัวเองซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับรากฐานที่มาเราเป็นมนุษย์ซึ่งเหมือนกับต้นไม้บางชนิดซึ่งปลูกในห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์ คือรากไม่แตะกับดินเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างห้องวิจัยขึ้นมาทดลองปลูกพืชบางชนิดที่รากหย่อนลงไปในอากาศแต่กิ่งใบก็สามารถเจริญเติบโตได้เขาเรียกว่าพันไม้ที่ใช้ร่างอากาศรากนั้นไม่แตะกับพื้นดินแต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ คนเราก็เหมือนกันมีคนจำนวนมากเป็นหยดน้ำที่ไหลาจากต้นน้ำที่ต่างจังหวัดพอมาอยู่กรุงเทพแล้วรากของตัวเองก็ขาดลอยกับบัรผ้าโุลดของตัวเองที่ต่างจังหวัดเติบโตอยู่โดยที่ไม่เชื่อมโยองอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดกลายเป็นต้นไม้พันธุ์ที่พาะปลูกในเรือนพ่อชําของนักวิทยาศาสตร์รากลอยขาดจากพื้นดิน คนอย่างนี้ภาษาพระก็เรียกว่าคนอากาศันอยู่นั่นเองฉะนั้นหากเราเป็นต้นไม้เราจะต้องเป็นต้นไม้ที่รากแก้วย่างลึกชอนชัยลงไปใต้พื้นดินถ้าเราอยากเป็นต้นไม้ใหญ่ภพระหงที่มีความเจริญเติบโตงอก ง, งามให้ร่วมให้เงาทั้งแก่ตัวเองและก็ทั้งสรรพชีพสรรพสัตว์เราจะต้องเป็นต้นไม้ที่มีรากแก้วเราจะต้องเป็นน้าทุกหยดที่ไม่ลืมต้นน้า เราจะต้องไม่เป็นบุคคลประเภทพันไม้ที่เพาะอยู่ในเรือนพ่อชามของนักวิทยาศาสตร์เติบโตได้โดยรากไม่แต่พื้นดินทุกวันนี้ที่สังคมไทยของเรายุ่งเหยิงก็เพราะมีคนอากนอยู่อยู่จำนวนมากที่เมื่อเจริญเติบโตแล้วมีความมั่งมีสีสุขแล้วก็ได้ตัดขาดจากรางเงาของตัวเองอย่างสิ้นเชิงคนจานวนมากเติบโตเกิด เกิดเติบโตเรียนหนังสือที่ต่างจังหวัดมาจบที่กรุงเทพทํามาค้าขายอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ลืมต่างจังหวัดไปเลยบางคนก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงหมดเลยเปลี่ยนนามสกุลหมดเลยอย่าถ้าเปลี่ยนบ้านมาอยู่กรุงเทพร้อยเปอร์เซ็นปีไม่เคยกลับไปเยี่ยมเบื้องเกิดเลยก็มีแต่ถ้าทําด้วยมีเหตุผลว่าต้องทํามาหากินมันเป็นความจําเป็นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เรารับได้ แต่บางคนทําเพราะตั้งใจจะเลืมกําเพืดจริงๆไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดถ้าอย่างนั้นภาษาพระก็เรียกว่าคนอักตันยูแต่ถ้าเราย้ายถิ่นฐานมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเป็นความจําเป็นในเรื่องของการทํามาหากินไม่ใช่เหตุผลคือการเลิ่มกําเพดอันนี้พุทธศาสนาก็ไม่ว่าอะไรดังนั้นเมื่อถึงวันสงการานต์ที่โบราณอาจารย์ท่านให้เราหยุดยาวอย่างนี้รัฐบาลให้เราหยุดยาวอย่างนี้ก็เพราะ อยางให้เราทุกคนมาทบทวนรากเง้าของเราว่าเราแต่ละคนนั้นเป็นหยดน้ําที่ไหลมาจากต้นน้ําที่ไหนเมื่อทบทวนได้แล้วเราจะได้หวนกลับไปดูแลต้นน้ําของเราคือใครแผ่นดินเห็นเกิดของเราพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราอัถิของบรรพบุรุษของเราอยู่ตรงไหนเรายังจําที่ที่บรรจุอัฐิ ของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราได้ไหมกลับไปสงน้ําดำแกล้วท่านอยู่ไหมนี่คือความหมายที่แท้จริงของเทศกาลสงการานต์กล่าวให้สั้นที่สุดเทศกาลสงการานต์คือเทศกาลแห่งความกตันยูรู้คุณคําว่ากตันยูไม่ได้มาโดดโ ด, ดในทางพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงคํานี้จะมีคําหนึ่งพวกมาด้วยเสมอคือคําว่ากตะเวที กะตันยูแปลว่ารู้คุณท่านอันอยูนี่แปลว่าผู้รู้กิจจังซึ่งกิจกะตังอันบุคคลอื่นกระทำแล้วไม่ต่อเรานี่วิเคราะห์แยกสับให้เห็นชัดๆเลยตามหลักภาษาบาลีกะตันยูแปลาตามตัวอักษรคือ ผู้รู้ซึ่งกิจหรือผู้รู้ซึ่งคุณูปการอันบุคคลอื่นกระทําแล้วต่อเราถ้าเอาแค่นี้ใครๆก็รู้ใครก็ตามที่ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์รู้หมดแหละใครทําคุณูปการต่อเราเรารู้หมดแต่แค่นี้ไม่พอพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแค่นี้ท่านพูดต่อไปว่ากระตันยูแล้วต้องกะตะเวทีด้วยกะตะเวทีแปลว่าอะไร เวทีแปลว่ารู้แจ้งหรือประกาศแปลเอาความหมายก็คือตอบแทนกิจจังหรือคุณังซึ่งคุณกระตังอันบุคคลอื่นกระทําแล้วเมตต์่อเรากตาเวทีก็คือรู้หรือประกาศซึ่งคุณูปการที่คนอื่นได้กระทําไว้แล้วต่อเราสองวลีนี้มาต่อกันเป็นกตัญญูกตาเวทีแปลว่า รู้ซึ่งคุณที่คนอื่นทำแล้วต่อเราแล้วตอบแทนพระคุณซึ่งคนอื่นทำแล้วต่อเราแปลง่ายๆแบบไทยแท้ๆก็คือกตันยูรู้คุณท่านนะกะตันยูรู้คุณท่านหรือรู้คุณท่านแล้วตอบแทนพระคุณท่านนี่คือความหมายของกระตันญูกตะเวทีทีนี้ในโลกนี้เนี่ยมีผู้ที่ทาคุณต่อเราเยอะแยะมากมาย ไม่ใช่เฉพาะคนเราเกิดมาในโลกดารงชีวิตอยู่ในโลกเราก็เป็นหนี้โลกฉะนั้นเราก็ต้องกระตันอยู่ต่อโลกเราจะกระตันอยู่ต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ยังไงเล่าก็ต้องมองโลกให้เป็น แล้วมีท่าทีต่อโลกให้เป็นมนุษย์ทุกวันนี้จํานวนมากพากันอักาตันยอยู่ต่อโลกโลกก็เลยได้รับอุบัติภยัยอุบัติเหตุจากการกระทําชํามเราของลูกที่ชื่อว่ามนุษยชาติจนก่อเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเพราะว่ามนุษย์นี่ไปคิดว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ เกิดมาแล้วมีศัก์และสิทธิ์ในการชกชิงปล้นสะดมเอาทรัพยากรจากโลกอย่างไม่ปราณีปราสัยนี่เป็นแนวคิดที่เก่าแก่มากซึ่งเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในยุโรปในตะวันตกบรรจุไวในพระคัมภีร์ด้วยซ้ำไปข้อความนั้นระบุว่ามนุษย์นี่เป็นนายของโลกและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วมนุษย์นี่จะชกชิง ทรัพยากรจากโลกนี่เอามาใช้เท่าไหร่ก็ได้พอเราไปตั้งป้อมาเราเป็นนายของโลกเราจะเอาทรัพยากรจากโลกมาใช้ให้พอแก่ความต้องการอย่างไรก็ได้เราก็ไปสูบดินสูบฟ้าเอามาจากโลกแบบไม่ประเนีประสายไงน้ํามันเนี่ยกว่าจะสังสมกันมาน่ยกว่าฟอสซิลจะสังสมกันมาหลายหมื่นปีมนุษย์ก็ไปขุดค้นสูบขึ้นมาก็ใช้แบบไม่ประเนีประสายตอนนี้น้ํามันจากใต้ผืนดินทําท่าจะหมด แทนที่มนุษย์จะตระหนักรู้ว่าเรากําลังทําร้ายพ่อแม่ของตัวเองคือโลกนี้มากเกินไปแล้วนะมนุษย์ไม่ได้ตระหนักรู้นะมนุษย์กลับคิดว่าก็น้ํามันใต้ดินโลกหมดก็เอาน้ํามันบนดินสิก็ปลูกพืชปลูกพันุไม้ต่างๆแล้วก็มากลั่นเป็นน้ํามันทางเลือกซึ่งอาจจะเรียกว่าเอทานอลก็ได้แก๊สโอลก็ได้เห็นหมแทนที่เราจะประณีประสายโลกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็สร้างน้ำมันสำรองขึ้นมาพอเราสร้างน้ำมันสำรองขึ้นมาคุณรู้ไหมทุกครั้งที่มีการใช้น้ำมันเกิดขึ้นก็เกิดการเผาผลาญพอเกิดการเผาผลาญคาร์บอนไดออกไซด์ก็ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ขึ้นไปลอยติดตันอยู่ในชั้นบรรยากาศติดตันมากๆก็ก่อให้เกิดความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศแสงอาทิตย์ส่องลงมาแล้วเระเหยขึ้นไปไม่ได้ก่เกิดภาวะเรือนกระจกของเสียก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายเท ก็วนไปวนมาสุดท้ายกลายเป็นอากาศเสียอากาศเสียเรียกว่ามลพิษจากนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเคยถ่ายเทยได้ตามปกติพอมันลอยขึ้นไปไปเจอภาวะเดินกระจกมันถ่ายเทยไม่ได้บวกกับแสงอาทิตย์ซึ่งส่องลงมาทุกวันทุกวันทุกวั น, วนอัดกันก็เกิดภาวะโลกร้อนกรอมิ่งเพรา็เกิดเป็นภาวะโลกร้อนร้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีทางระบายน้าแข็งขั้วโลกเหนือละลาย พอน้ำแข็งขั้วลกเหนือละลายน้ำทะเลเพิ่มขึ้นน้ำทะเลเพิ่มขึ้นน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฝนตกนอกฤ ด, ดูกาลน้ำทะเลเจอน้ำฝนท่วมเลยเป็นยังไงทีนี้กระทบไหมพอน้ําทำไถ้าจะท่วมก็มีการเตือนกันไว้าระวังน้ําจะท่วมโลกแทนที่มนุษย์จะหันมามองวิธีปฏิสัมพันธ์ต่อโลกใหม่ไม่มองอะ่ะพากันหนีขึ้นไปเหนือไปเชียงรายไปเชีงยงใหม่ซื้อที่สูงสูง <c oughs> โอกาสน้ําท่วมไม่มีอ่ะ นะดาราเอ่ยคนดังเอ่ยโอ๊ยตอนนี้ที่จังไรทองแผยอยากระทองฮนะคิดว่าน้ําจะไม่ท่วมหรอกนะเห็นไหมมนุษย์เคยมองไหมว่าตึเงเป็นตัวปัญหาไม่มองหรอกนะปัญหาคนอื่นทําทั้งนั้นแหละพอเกิดปัญหาจวนตัวเข้ามาหนีไปอยู่ที่อื่นแสดงว่าพวกนี้ไม่เคยดูหนังนะ The day after day ยนะ์หนังไม่เคยดูหนังพวกนี้ว่าเวลาน้ําจะท่วมโลกมนุษย์ พวกเศรษฐีพวกนักการเมืองพวกซูเปอร์สตาร์ก็จะไปซื้อที่บนที่ดอนที่ที่เป็นเนินเขาอยู่สร้างบ้านอย่างเดห้าล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็มองดูคนอื่นหนีน้ําท่วมโลกคุณไม่รู้อะไรคนอื่นมันหนีจากพื้นที่ราบสุดท้ายมันก็หนีขึ้นไปอยู่รวมกับมหาเศรษฐีสุดท้ายก็ไปทุบบ้านเศรษฐีแล้วก็ออกันอยู่ตรงนั้น <laughs> เศรษฐีคิดว่าจะรอดหรื อ, อยังไง คุณหนีได้เดี๋ยวเขาก็หนีขึ้นไปได้แต่เขาไม่มีปัญญาสร้างบ้านอย่างคุณเขาไปเยอะๆเขาก็ทุบกระจกบ้านคุณแล้วก็เข้าไปอัดกันอยู่ในนั้นสุดท้ายก็ตายเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมนุษย์นี่กระทำชำเราทรัพยากรซึ่งในแง่หนึ่งก็คือโลกาภาษาพ่าเรียกว่าโอกาสโลกโลกคือดาวนอพรเคราะห์ของเรายัางไม่ปราณีปราศัยพอเกิดปัญหาเป็นภาวะโลกร้อนก็ดีมลพิษในโลกก็ดีแทนที่จะมองว่าตัวเองนี้ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกได้ท่าทีที่แสนก้าวร้า มนุษย์ไม่ได้มองมนุษย์กลับมองว่าปัญหาเนี่ยคนอื่นทําแต่ไม่ใช่ตัวเองทํานี่แหละเราเรียกว่าท่าทีอักตันยอยู่ต่อโลกพอเราอักตันยอยู่ต่อโลกเราก็ทําชำเราโลกเกินที่โลกจะรับไหวแผ่นดินก็ไหวแกนโลกก็เคลื่อนสึนามิก็โถมทับประชาชนพลเมืองฤ ด, ดูการวิปริต พืชทันทันยอาหารพลีดอกออกตาไม่ตรงกับฤดูกาลพอไม่ตรงกับฤดูกาลเราก็ไปเร่งเดือนนี้มีมีลำใหญ่ฉันได้ทุกเดือนทุเรียนมีให้ทานได้ทุกเดือนมนุษย์ก็ภูมินนใจวันนี้ไงไม่ต้องรอฤ ด, ดูหรอกเราจัดให้ได้นอกฤดูกาลก็ได้เพราะอากาศเสียเอาอากาศดีมาอาัดกระป๋องขายบอกนะวัตรกรรมนใครหายใจด้วยอากาศกระป๋อง โมเดิร์นทันสมัยบ้าบอใหญ่แล้วหายหายหายใจด้วยด้วยจหมูกของเราเนี่ยดีที่สุดฮะใช่ไหมมันจะไปเท่อะไรกันมากมายใช่ไหมนี่คือมนุษย์สร้างปัญหาแล้วพอเกิดปัญหาไม่ได้ย้อนกลับมามองที่ตัวเองคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องของคนอื่นณเวลานี้มนุษย์ของเรานี้อากตันอยู่ต่อโลกจนโลกเขาเดือดร้อนพอเดือดร้อนมากๆเราก็ ตีของร้องป่าว่ามาช่วยกันกู้วิกฤตโลกร้อนจัดคอนเสิร์ต ท, ที่ลอนดอนดาราชื่อดังจากฮอลแล้วบินมาร่วมกันครับข้างนะพอคอนเสิร์ตจบปุ๊บเขาวัดปรากฏ ว, ว่าคืนนั้นใช้พลังงานมากกว่าที่ใช้กันมาทั้งปี <c oughs> นี่นะคอนเสิร์ตกู้โลกร้อนนะเนี่ยเมืองไทยก็จัดที่เขาใหญ่เหมือนกันจัดเสร็จแล้วออ้ยร้อนหนักขึ้นไปอกีก ดูสิเนี่ยเราเราแก้โลกร้อนบางแห่งก็จัดแข่งเรลลี่แก้โลกร้อนก็ใช้น้ำมันหนักเข้าไปอีกเห็นไหมแทนที่จริงถ้าเรามาบอกกันว่าแทนที่เราจะไปแก้ภาวะโลกร้อนจากภายนอกแก้จากภายในได้ไหมเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ต่อโลกเสียใหม่ว่ามนุษย์ไม่ใช่เจ้านายของโลกมนุษย์แค่ส่วนหนึ่งของโลก เราไม่ได้มีเสร็จช่วงใช้โลกตามแต่ใจเราควรจะช่วงใช้โลกตามความจำเป็นเพราะถ้าเรายิ่งใช้ทรัพยากรยิ่งหมดมหาธรารมคันธีเคยพูดเอาไว้ว่าทรัพยากรในโลกมีเพียงพอสำหรับคนทั้งโลกแต่ไม่เพียงพอสำหรับคนจอมละโมบเพียงคนเดียวจริงหรือไม่จริงประเทศใดของเรานั้นทรัพยากรเท่าที่เรามีเนี่ย เราจะอยู่กันไปอีกหมื่นปีได้สบายเมืองไทยเป็นเมืองที่มีผลไม้ทุก ด, ดูกแบมีอาหารหลากหลายที่สุดในโลกความหลากหลายทางชีวภาพติดหนึ่งในสิบของโลกความอุดมสมบูรณ์ของอาหารติดหนึ่งในสิบของโลกทั้งใต้ดินในน้าอากาศมีของที่คนไทยกินได้อยู่เยอะแยะไปหมดนะถ้าเราแบ่งกันกินเราแบ่งกันใช้อย่างนี้ เราก็จะอยู่กันไปเป็นหมื่นปีเลยเมืองไทยเนี่ยที่อเมริกามีตึกใหญ่ๆเมืองไทยก็มีที่อเมริกามีทะเลสวยๆเมืองไทยก็มีอเมริกาไม่ภูเขาเมืองไทยก็มีแต่ที่อเมริกาไม่มีคือคอร์รัปชันเนี่ยเราดันมีอันนี้ปัญหานักการเมืองที่อเมริกาไม่ถีบกันแล้วเราดันถีบ อันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งของเราเท่าที่เรามีนี้ถ้าเราอยู่กันไปแบบประณีประสายแบบฉันพี่ชันน้องแบบชันมิตรต่อธรรมชาติเมืองไทยจะไม่เกิดกรเลยยุคแต่ถ้าเรามีโล ก, กะทัศน์ที่ผิดต่อทรัพยากรเราแย่งกันกินเราแย่งกันใช้แบบไม่ประณีประสายสุดท้ายจะเกิดกรเลยยุคขึ้นที่บ้านเมืองซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุด ฉะนั้นมนุษย์ควรจะเปลี่ยนแปลงท่าทีในการมองโลกจากการที่เรามองว่าเราเป็นนายของโลกจะฉก ช, ชิงออกมาจากโลกก็ได้ก็ควรจะเปลี่ยนเสียใหม่ว่าเราก็แค่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเล็กๆของโลกไม่ใช่นายอะไรเลยไม่ใช่ผู้ถืออาญาสิทธิเหนือโลกใบนี้หรอกเราแค่อนุลเล็กๆของโลกสองในการบริโภคทรัพยากรเราจะต้องตระหนักรู้ความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าทรัพยากรมีอย่างจากัด ตัตหาของเราไม่จํากัดถ้าเราวิ่งตามตันหาโลกจะพังทลายก่อนที่เราจะตายเสียด้วยซ้ำํำฉะนั้นเมื่อทรัพยากรมีจํากัดเราก็ควรจะจํากัดความอยากของตัวเองใช้ชีวิตด้วยความจําเป็นอย่าไปใช้ชีวิตด้วยความอยากถ้าทําได้แค่นี้เราก็จะอยู่ในโลกเหมือนเป็นกันลยาณมิตรกับโลกคือมองโลกว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเราไม่ใช่มองโลกว่าเป็นสิ่งซึ่งเราควรจะมาช่วงใช้เขา ทุกวันนี้เรามองโลกในฐานะที่เขาเป็นธาตุเรามองโลกว่าเป็นอีเย็นเป็นนางธาตุเห็นไหมเราจิกหัวใช้โลกจนเขาทนไม่ไหวก็ก่เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้นมาจากนี้ไปเราจะต้องมองโลกว่าเป็นเจ้าบุญในคุณของเราเราจะได้เคารพโลกเราจะได้ปรนิบัติพัดวีโลกและในแง่ของการบริโภคแทนที่เราจะบริโภคตามตันหาก็บริโภคตามความจําเป็นเราจะได้กินจะได้ใช้ ให้น้อยลงเพื่อโลกจะได้มีอายุยั่งยืนอยู่คู่กับเราไปนานๆคนโบราณ น, นั้นมีภูมิปัญญาที่น่ายกย่องมากน่ายกย่องอยังไงท่านเคารพโลกนะบนฟ้าคนโบราณก็บอกว่ามีเทพอย่างพระอาทิตย์เนี่ยเราก็เรียกว่าสุริยะเทพ ฝนเราก็เรียกว่าพระพิรุณเทพใช่ไหมพื้นดินก็มีพระแม่ธรณีในป่าเราก็มีเทพรักพื้นน้ำเราก็มีเทพที่ดูแลน้ำจนทุกปีต้องมีประเพณีลอยกระทงฉะนั้น โลกธาตุของคนโบราณคนโบราณนั้นเป็นโลกทัศน์แบบคนที่กระตันยูรู้คุณต่อผืนดินผืนฟ้าผืนน้ำต่อป่าต่อเขาต่อพี่น้องคลองเบิงต่ออากาศต่อนกหนูหูปีกทั้งหมดโลกัศน์ของคนโบราณซึ่งดูเหมือนจะล้าสมัยเอาก็จริงกลับเป็นโลกทัศน์ที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกับโลกอย่างร่มเย็นเป็นสุขดังนั้น ถ้าเราฟังทัศนะของคนโบราณเราจะอยู่ในโลกด้วยท่าทีแบบกตัญญูรู้คุณแต่ถ้าเราฟังทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เราจะอยู่ในโลกแบบผู้ที่เนรคุณต่อโลก้วยเหตุ น, นี้เองสิ่งซึ่งเราควรกรตัญญูเป็นอันดับแรกคือกตัญญูต่อโลกซึ่งเป็นถินเกิดกำเนิดกายและให้ชีวิตของเราด้วยการมองโลกว่าเป็นเจ้าบนในคุณของเรา ด้วยการมองเราว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ผู้ถืออาญาสิทธิเหนือโลกและด้วยการเปลี่ยนท่าทีในการบริโภคทรัพยากรเสียใหม่เป็นการบริโภคตามความจำเป็นไม่ใช่การบริโภคตามความอยากนี่ก็คือโลกซึ่งเราควรจะกระตันอยู่เป็นเรื่องที่หนึ่ง2เราควรจะกระตันอยูต่อสถาบันหลักของเราในเมืองไทย คือชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เรากระตันยูต่อชาติด้วยการทำยังไงด้วยการไม่ขายชาติเรากระตันยูต่อศาสนาด้วยการทำอย่างไรถวายความอุปฐมบารุงพระสงฆ์ให้ท่านได้อยู่อย่างมีความสุขท่านจะได้เป็นกำลังสำคัญในการเอาธรรมะมาเผยแผ่ให้เราเรากระตันยูต่อพระหมหากษัตริย์ ด้วยการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์การกระตันยูต่อชาตินั้นทำได้ด้วยการไม่แตกสามัคคีณเวลานี้คนไทยกำลัง ก, กระตันยูต่อชาติไทยเพราเราแตกสามัคคีกันเป็นเสี่ยงเป็นเสี่ยงเป็นเสีย ง, ปยงไปหมดเลยไปกันคนละทิศคนละทางหมดเลยผู้รู้บอกว่าสงครามที่เราทำกับ เพื่อนบ้านของเราคือพมา่าทุกครั้งที่พมา่ายกทัพมาเนี่ยเราจะเห็นก่อนว่าขั้ศึกอยู่ตรงไหนเราก็บริหารจัดการสงครามได้ทุกครั้งแต่สงครามที่คนไทยกาลังทาด้วยกันเองนะะเวลานี้เรามองไม่เห็นว่าใครคือศัตรูของเราศัตรูไม่ได้ยกมาจากทางน้ำมาเข้าที่ปากอ่าวไทยไม่ได้ยกมาประชิชายแดนที่จังหวัดตาก หรือที่ด่านเจดีสามองค์หรือไม่ได้มาจากบนฟ้าโดยการส่งมาของสหรัฐอเมริกาแต่ศัตรูของเรามาจากคนไทยด้วยกันเองซึ่งเป็นคนไทยกลุ่มไหนก็ไม่รู้พราะเราไม่กระตันยูต่อชาติด้วยการแตกสามาคัคคีอย่างเนี้ชาติซึ่งเต็มไปด้วยความมั่งขั่งเต็มไปด้วยอารยธรรม เต็มไปด้วยภูมิปัญญาที่สามารถจะเป็นทางออกให้กับโลกได้เยอะแยะมากมายจะพังเอาสักวันหนึ่งซึ่งในหลวงทรงใช้คําว่าวิกฤตที่สุดในโลกตั้งแต่สวยราชมาเนี่ยทรงใช้คําแรงที่สุดก็ครั้งเนี้ยเมืองไทยวิกฤตที่สุดในโลกพูดถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่ตระหนักรู้เราก็ยังอากตศันอยู่ต่อชาติด้วยการแตกสามัญคีกันต่อไปอะไรทําให้เราแตกสามาัญคีผลประโยชน์ ผลประโยชน์คําเดียวเท่านั้นเองอาจารมาเคยไปปฏิบัติธรรมก่อนที่อามาภาพจะไปตั้งวัดป่าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหมือนทุกวันนี้เคยเคยเดินสายปฏิบัติธรรมหลายหอนหลายแห่งวันหนึ่งก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่แถวเขาใหญ่ทีนี้เมื่อฉันเสร็จแล้วข้าวก็เหลืออาจมาก็เดินออกมาก็หยิบข้าวเนี่ย โปรยให้นกให้กากินที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนั้นก็มีกามาอยู่จำนวนมากนะบางทีเวลาเราเดินออกจากกตินี่กาบินตามหลังเราเลยบินตามเลยนะจึงมีสำนวนไทยเรียกกาว่าสันดานกาสันดานกานี่คือหน้าไม่ไอายพระอุ้มบาทนี่มันบินตามหลังเลยนะชบได้มันชบเลยนะนี่คือสันดานกา ฉันเสร็อาตมาก็เอาข้าวที่เหลือในบาตรมันโปรยให้กาแทนที่มันจะจิกข้าวกามันจิกกันเองอาตมานึกขึ้นมาในใจว่าโอ้นี่ไงสันดานกาปกติมันไม่จิกกันเองนะแต่พอมันเห็นข้าวปุ๊บมันทิ้งข้าวแล้วมันจิกกันหัวร้างข้างแตกะเป็นร้อยตัวนะคุณโยมนะอาตมาห้ามยืนมองดูกาเหล่านั้นจิกกันเพราะแย่งข้าวก็นึกออกว่าโอ้เนี่สันดานกาเป็นอย่างนี้ อยู่ด้วยกันเฉยๆไม่จิกกันแต่พอเห็นข้าวอยู่ตรงนั้นแล้วจิกกันเพื่อที่จะแย่งข้าวบรรยากาศการจิกกันเพราะแย่งข้าวด้วยความหน้าไม่อายคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในเวลานี้ข้าวก้อนหนึ่งซึ่งเราแย่งกันทุกวันนี้มีชื่อว่าผลประโยชน์เรารักผลประโยชน์มากกว่ารักชาติ ต้องให้คนได้คนน้อยตายเท่าไหร่เราจรึงจะสํานึกว่าผลประโยชน์ที่เราแย่งชิงแท้ที่จริงมันเป็นสิ่งสมมุติเงินที่เราแย่งกันเนี่ยมันแค่ตัวเลขในธนาคารเท่านั้นหุ้นนับล้านล้านหุ้นที่มันขึ้นมันลงทุกวันนี่มันก็แค่สิ่งสมมติมนุษย์สมมติขึ้นมาแล้วเราก็มาแย่งกันแต่เพราะผลของการแย่งชิงเงินทองเข้าของซึ่งเราเรียกมันว่าผลประโยชน์นี้ ก่อให้เกิดการฆ่ากันระหว่างคนไทยเงินเป็นสิ่งสมมติแต่คนไทยที่ตายลงที่สนามหลวงที่ในธรรมศาสตร์ที่ถนนราชดำเนินคือคนจริงๆคนจริงๆมาตายเพราะว่ามนุษย์แย่งสิ่งสมมติสิ่งสมมติทำให้คนตายนี่คือความฉลาดไหมนะตายเพราะแย่งจริงสิ่งสมมติ เพราะฉะนั้นคนไทยจํานวนมากมีสันดานกาณนะเวลานี้นะประเทศชาติบ้านเมืองจึงหอยนะเราอากตันอยู่ต่อชาติเพราะเรารักผลประโยชน์มากกว่ารักชาติเมื่อไใดก็ตามที่เรารักชาติมากกว่ารักผลประโยชน์เราจะเลิกทะเลาะ ก, กันฉะนั้นหากเราอยากกตันอยู่ต่อชาติเราต้องเดินข้ามผลประโยชน์ไปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระสงฆ์ฝั่งไพเราะเพราะเพ่งมาก มีวันหนึ่งท่านเรียกพระสงฆ์มาชุมนุมกันท่านก็ชี้ให้ดูแมงกุจีแมงกุจีนะแมงกุจีนี่มันจะไปเอาขี้วัวมาปั้นเป็นก้อนๆปั้นแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยแมงกุจีมันก็จะเข็นขี้วัวไปกองรวมกันไว้น่นมีหัวทางธุรกิจนะนะะรู้จักสะสมทรัพยากรนะ ปั้นขี้วัวเป็นก้อนๆเสร็จแล้วแมงกุจีบางตัวมันก็จะเข็นเข็นขี้วัวเป็นก้อนๆ น, นั้นเอาไปอวดเพื่อนมันนะมันก็จะบอกว่าดูสิดูขี้วัวของฉันสิเห็นไหมเนี่ยผลงานฉันอ่ะแมงกุจีตัวไหนมีก้อนขี้วัวเยอะที่สุดกุจีตัวนั้นรวยเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เรียกภิกษุมาดูภิกษุเธอดูสิเห็นไหม แมงกุจิมันไปรวบรวมเอาขี้วัวมากองเป็นก้อนๆแล้วมันก็ภูมิใจว่ามันเป็นผู้ที่มั่งคัง่งเป็นผู้ที่ร่ำรวยเหนือแมงกุ จ, จิตัวอื่นๆมันหารู้ไหมว่าที่มันครอบครองนั้นแท้ที่จริงคือขี้วัวไม่ได้มีสาระอะไรเลยแมงกุ จ, จิไปหลงสมมติสมมตวิว่าขี้วัวนั่นเป็นสมบัติ ไม่ได้มองขี้วัวตามความเป็นจริงก็เลยเสียเวลาทั้งชีวิตไปสะสมขี้วัวแล้วบอกมันว่าสมบัติแล้วก็ภูมิใจว่าฉันมีสมบัติมากกว่าคนอื่นมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นสู้ซาใช้เวลาทั้งชีวิตไปสะสมสิ่งซึ่งแทบจะไม่มีกันสารเพราะมันเป็นสิ่งสมบัติแล้วเราก็ทะเลาะกันเพราะสิ่งนั้นทะเลาะกันเพราะสิ่งนั้นซึ่งบรรดาของที่มีค่ามากที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่คือชีวิต ครั้งหนึ่งพระญาติวงศ์ของพระพุทธเจ้าจะห้ามหันประหารประหารกันถึงขั้นยกกองทัพมาพเผชิญหน้ากันเพราะแย่งน้ำำนําทํานาพระพุทธองค์เสด็จดําเนินไปยืนอยู่ตรงกลางเรียกแม่ทัพในกองมาถามว่าจะทําอะไรเราจะรบกันรบทําไมแย่งน้ําระหว่างน้ํากับคนนี่ใครมีค่ากว่ากันแม่ทัพในกองก็บอกคนมีค่ามากกว่าน้ํา เอ้าถ้าคนมีค่ามากกว่าน้ำจะฆ่าการเพื่อแย่งน้ำคุ้มไหมไม่คุ้มพูดเสร็จแค่นี้พระพุทธเจ้าเดินกลับสงครามยุติเห็นไหมตอนนี้คนไทยจะรบกันคำถามคือพระรูปไหนจะเดินไปบอกถ้าเดินไปบอกก็เตรียมหาที่จำบรรษาไว้ คุณจะรบกันเพื่อจะแย่งสิ่งซึ่งมีค่าสู้ชีวิตคนยังไม่ได้เลยนะอาการอย่างนี้แหละเรียกว่าเรากำลังจะอากาตัอยู่ต่อชาติของเราเมื่อไหร่ก็ตามคนไทยสามารถมองว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างสูงกว่าเงินบางสิ่งบางอย่างสูงกว่าผลประโยชน์แล้วเราจะไม่เอาคนไทยทั้งประเทศไปตายเพื่อผลประโยชน์ ตายเพื่อทรัพสมบัติเพราะในบรรดาสิ่งสูงค่าที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรสูงค่ายิ่งไปกว่านคนคนคือสิ่งที่สูงค่าที่สุดในโลกทรัพสมบัติเป็นแค่ของสมมุติเป็นของใช้ชั่วคราวธรรมภาพขอใช้คำว่าสมบัติเป็นของใช้ไม่ใช่ของฉันมันแค่ของใช้ใช้เสร็จแล้ววางไม่ใช่ของฉันอย่าไปยึดติด แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ภาษาพระเรียกว่าสาธารณภพคีมีของดีให้แบ่งกันกินให้แบ่งกันใช้พอเราคิดว่ามีของดีฉันจะกินคนเดียวฉันจะใช้คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้กินด้วยเขาก็ต้องแย่งพอแย่งก็เกิดสงครามมันน่าเศร้าที่สุดก็ตรงที่มันเป็นสงครามกลางเมืองพมา่าไม่ต้องทาอะไรลาวไม่ต้องทาอะไรมาเลเซียไม่ต้องทาอะไร จีนไม่ต้องทำอะไรอินโดนีเซียสิงคโปร์ไม่ต้องทำอะไรอเมริกาไม่ต้องทำอะไรนั่งบนภูดูคนไทยกัดกันแล้วคอยช้อนซื้อทรัพย์สมบัติของแผ่นดินซึ่งถูกขายเลยหลังธนาคารของประเทศไทยนาะเวลานี้7 0่0ผู้บริหารคือต่างชาติเรารู้หรื อ, อยัง ว่าทรัพย์สมบัติหลักๆของประเทศนะอยู่ในมือของใครเราเอาแต่ทะเลาะ ก, กันแล้วเขาเขาก็รอดูเสือลำบากเสือลำบากไปไหนไม่รอดอยากได้เงินก็ร้อนเงินก็ขายของดีๆให้เขาให้ต่างชาติถูกๆเขาก็ช้อนซื้อเอาได้ของดีราคาถูกสบายๆมีใครเคยคิดถึงประเด็นเหล่านี้ไหมว่าผลของการทะเลาะ ก, กันเองมันเป็นยังไงนี่แหละ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคนไทยก้าวข้ามผลประโยชน์หรือรู้เท่าทันพิษของผลประโยชน์ได้เราจะหันกลับมารักกันเพราะเราได้ตระหนักอย่างท่องแท้แล้วว่าแท้ที่จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือชีวิตของคนไม่ใช่ผลประโยชน์พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าถึงความฝันของพระองค์ท่านก่อนจะตรัสรูพระองค์ท่านฝันฝันว่ามีอยคือหนึ่งเสด็จดาเนินไปบนภูเขาแต่ละลูกสูงใหญ่ แน่แปลกมากที่ภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาที่แปดเปื้อนไปด้วยอุจาระปัสสาวะพระงรองค์เสด็จดำเนินไปบนภูเขาที่แปดเพื่อนไปด้วยอุจาระปัสสาวะพระองค์ก็ยกพระบาทขึ้นมาดูพระบาทของพระองค์ไม่แปดเปื่อนไปด้วยอุจาระเลยพอเสด็จ ต, ตื่นบรรทมพระองค์ก็ทรงทานายฝันว่าภูเขาอุจาระปัสสาวะ ก็คือก้อนแห่งลาบสักการะที่ญาติโยมจะมาถวายพระองค์ท่านหลังจากตัสรู้แล้วซึ่งมันก็เป็นความจริงคนแห่เอาข้าวเอาของไปทับประเค้นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธองค์เสด็จดับกันทัพปาริณิพานลูกศิษย์ของพระองค์บวชเป็นพระคนศรัทธาคนก็แห่กันเอาอะไรมาถวายพระเยอ ะ, ะ, ะยะไปหมดเลยนะพระบางรูปไม่มีที่เก็บเลยของคนเอามาให้เยอะเอารถมัดถวายเอา โฉนดที่ดินมาถาวายเอาเงินมาถาวายเอายศช้างขุนนางพระมาถาวายเอาชื่อเสียงมาถาวายบางรายก็เอาลูกสาวมาถาวายเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จดำเนินผ่านไปแล้วมันไม่เปื้อนพระบาทเลยพระองค์ก็ทรงทํานายว่าเมื่อฉันตรัสรู้แล้วจะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเพราะคนเขาศรัทธาแต่เราตถาคตจะไม่ยุดติด แต่สาวกของพระองค์ถ้าไม่รู้เท่าทาันก็จะไปยึดติดผลประโยชน์แล้วก้าวไปไหนไม่ได้เลยโยมของมันถวายติดของเอาสังฆทานมาถวายเก็บสังฆทานไว้เต็มกุฏิเก็บไว้เยอะๆบางทีกุฏิสุดเลยเห็นไหมที่ภาคใต้เมื่อสองปีที่แล้วมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งจำได้ไหมช่วงที่มีระเบิดภาคใต้เยอะๆ วันหนึ่งกุฏิพระรูปหนึ่งระเบิดอ่ตำรวจก็รีบเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าที่ระเบิดนะั้นเป็นปลากระป๋องระเบิดปลากระป๋องหมดอายุอัดกันอยู่ในกุฏิเป็นห้าหกปีท่านฉันไม่ทันนั่นดูสิข้าวของต่างๆที่โยมม า, มาถวายพระมีหนะ้าที่ใช้ไม่ได้มีหนะ้าที่เก็บเอาไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตนเยอะแยะมากมายขนาดนั้น แต่แล้วทั้งพระทั้งโยมก็มาหลงอยู่ในดงของผลประโยชน์เราไม่สามารถก้าวข้ามกองแห่งผลประโยชน์สุดท้ายไม่เพียงแต่จะไม่ก้าวข้ามเราหลงกอดผลประโยชน์เอาไว้ไปกวาดนะผลประโยชน์มาไว้บนหน้าตักของตัวเองให้เยอะที่สุดพอมันมาอยู่ที่เราคนอื่นเขาก็ขัดสนเขาก็อยากได้ก็มาแย่งชิงที่เราเกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรกลายเป็นแย่งอาหารกันกินแย่งถิน่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอานาจกันเป็นใหญ สังคมไทยก็ทะเลาะกันเกิดปฏิวัติรัฐประหารแก่รัฐธรรมนูนแล้วห้ปีมานี้เราไปไหนไหมออเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วจะดูคมท่านช่วยเราได้ก็ปีเดียว <c oughs> <c oughs> ท่านก็ทรงพระเซงเหมือนกันะนะทะเลาะกันอย่างนี้ฉันไม่อยากช่วยหรอกไปแล้วเห็นไหม ฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมาร่วมกันกตัญญูต่อชาติของเราด้วยการก้าวข้ามผลประโยชน์ไปก้าวข้ามผลประโยชน์ได้เมื่อไหร่สังคมไทยกลับมาสามัคคีกันเมื่อนั้น 2. กตัญญูต่อศาสนากตัญญูต่อศาสนาทําได้ด้วยกันอุปถัมป์บำรุงพระสงฆ์ ให้ท่านได้อยู่ในเสนาสะนะที่เหมาะที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเอื้ออำนวยให้ท่านได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เหมือนท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็ น, เ ป, นเป็นพระผู้ใหญ่ท่านไม่ได้อยู่วัดเดียวกับอัตมาแต่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ให้คนโน้นให้คนนี้นี่บนอัตมาเสมอเส ม, ส ม, สมอเพราะอะไร ท่านเจ้าคุณอาจารย์เอื้อโอกาสให้อตมาได้ทํางานเพราะท่านมองข้ามเรื่องผลประโยชน์แต่มองข้ามไปถึงการทํางานแล้วมนุษย์เราถ้ามองข้ามผลประโยชน์ได้เมื่อไหร่จิตใจของเราจะกว้างมากพอใจเรากว้างเราก็แทนที่จะมานั่งริษยากาันเราจะกลายเป็นต่างคนต่างช่วยกันทําประโยชน์เห็นหรืยอยัง พระสงฆ์ของเราจำนวนมากถ้าเราใจกว้างเหมือนท่านทานคุณอาจารย์ไม่ต้องคำนึงหรอกว่าอยู่วัดไหนถ้าเป็นคนเก่งถ้าเป็นคนดีถ้ามีความสามารถนี่มนต์ท่านมาทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยเลยแล้วเราร่วมกันทำประโยชน์นี้แหละคือการอุปธรรมพระศาสนาที่แท้จริงการอุปธรรมพระศาสนาไม่ได้หมายถึงการสร้างตึกใหญ่ๆสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก ทำเจดูคำใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ในคัมภีร์ท่านระบุไว้ชัดนะว่าการสืบต่ อ, อยุพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างวิหาร8ปด0มืสี่ันหลังเพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่งจะปรักหักพังไปตามกาลเวลาแต่คนต่างหากซึ่งจะพยุงอายุของศาสนา อาตมาภาพทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายตั้งชื่อโครงการว่าโครงการพระพูดได้เทรนเดอ e t เทรน e นอร์โปรเฝึกคนที่จะไปฝึกคนอื่นให้เป็นยอดครูแล้วจึงปล่อยไปสอนคนทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีเสด็จไปทรงเปิดโครงการพระองค์ท่านเสด็จไปทรงเปิดโครงการทรงพอพระราชนาิพนธมาก มีรับสั่งว่าอยากจะให้เมืองไทยเรามีอย่างนี้เยอะแยะคือช่วยกันส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีธรรมะซึ่งดีอยู่แล้วนี่นะจะเป็นเครื่องมือในการสร้างคนสร้างชาติเราได้อย่างดีที่สุดแต่ถ้าพระสงฆ์เราไม่ได้รับการถวายความรู้อย่างดีพระสงฆ์ของเราก็ง่อยเปลี้ยเสียขาทางปัญญา อยากจะทําประโยชน์แต่ไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้ตัวเองรู้แค่ไหนก็สอนแค่นั้นก่อนบวชเป็นหมอสักยันพอมาบวชเสร็จแล้วโยมมาขอให้สักยันก็สักยันให้โยมก่อนบวชเป็นเป็นหมอผีโยมมาขอให้ไล่ผีท่านก็ไล่ผีให้โยมก่อนบวชเป็นหมอดูโยมมาดูหมอท่านก็ดูให้โยมก่อนบวชเป็นหมอทําเสน่ห์โยมติดใจในบริการท่านก็ไปลงนะหน้าทองให้ยม แล้วท่านก็หลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือการทำเพื่อพระศาสนาแท้ที่จริงมันคือการทำลายพระศาสนาด้วยซ้าแต่เพราะท่านขาดความรู้มีพระจำนวนมากที่สังคมมองว่าเป็นพระเร็วๆแท้ที่จริงท่านไม่ใช่พระที่เลวท่านเป็นแค่พระที่ขาดความรู้เพราะขาดความรู้ท่านก็เลยสอนแบบไม่มีความรู้ก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมขึ้นมา มีพร ะ, ะจำนวนมากอยากจะเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีก็ซู้อุตสาห์ไปเปิดบล็อกไว้ที่ไฮไฟแล้วพอขาดความรู้ก็เกิดเรื่องเกิด ร, ร, ราวขึ้นมาใช่ไหมฮะที่ต่างประเทศเขาทำก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเนี่ยเขาทำบล็อกโอเคเนชั okay ่นทำถวายตมาตมาใช้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะคนไม่ ม, คมีความรู้ก็ไปใช้เทคโนโลยีเนี่ย เทคโนโลยีสูงแต่คนมีความรู้ต่ำมันเกิดเรื่องทุกทีไปนี่ภาวะอย่างนี้ใครจะช่วยละ่ะถ้าญาติโยมไม่ช่วยกันถาวายความรู้พระสงฆ์พระจํานวนมากที่ตกเป็นจําเลยสังคมท่านไม่ได้อยากเป็นพระที่เลวแต่เป็นเพราะว่าท่านเข้าไปสู่ระบบการศึกษาอบรมที่กระพองกระแพงขาดความรู้ซึ่งจะทําให้เกิดภาวะผู้นําพอไม่มีความรู้ก็ไม่มีภาวะผู้นําแต่สังคมจําเป็นจะต้องให้พระสงฆ์นําท่านก็นําแบบไม่รู้ นำไปนำมานำเข้ารกเข้าผมเห็นไหมฉะนั้นถ้าคุณโยมอยากจะกระตัญยูต่อศาสนากะตัญยูให้ตรงจุดช่วยกันสร้างพระสงฆ์ให้เป็นศาสนาทายาทชั้นนำด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านให้ดีที่สุดถวายความรู้ทางโลกท่านท่านจะได้ทันชาวบ้านถวายความรู้ทางธรรมท่านท่านจะได้เอาธรรมะ ม, มาช่วยชาวบ้าน นิมนทรท่านไปแสดงธรรมชาวบ้านจะได้เห็นว่าธรรมนั้นมีคุณค่าแค่ไหนและรูปไหนที่เก่งรูปไหนที่ดีอุปถัมป์บำรุงท่านด้วยเจตุปัจจัยด้วยการให้กำลังใจด้วยการเปิดโอกาสท่านอย่าไปขัดแข้งขัดขาท่านท่านเก่งให้ท่านได้เก่งท่านมีความรู้ให้ท่านได้ใช้ความรู้ท่านมีความสามารถให้ท่านได้มีความสามารถท่านเป็นต้นสักทองให้ท่านได้เติบโตอย่างกับที่ท่านเป็นต้นสักทองอย่าเอาท่านไปเลี้ยงไว้ในกระถางบอนไซเห็นไหม ถ้าระบำรุงส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ให้ท่านได้รับการศึกษาดีทั้งทางโลกทั้งทางธรรมความรู้ทางโลกดีทําให้ท่านทันโลกความรู้ทางธรรมดีทําให้ท่านเอาชนะใจชาวโลกศีลารารวัตรของท่านดีทําให้ท่านน่ากราบน่าไหว้เป็นที่นิยมเลื่อมใสของชาวโลกและถ้าท่านมีโอกาสดีโลกนี้ก็จะมีภูมิปัญญามาหล่อเลี้ยงช่วยเหลือเกือ้อกูลโลกได้มากนี้แหละคือการกตัญยูต่อพระาศาสนาที่แท้จริง ถ้าเราจับไม่ตรงจุดอย่างนี้เรามวไปทำอย่างอื่นทอดทิ้งพระของเราให้ด้วยคุณภาพปัญหาก็คือสังคมไทยวิกฤตไม่มีภูมิปัญญาที่จะเข้ามาชี้ทิศนำทางให้สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมองเห็นมาเมื่อ20กว่าปีแล้วว่าสังคมไทยจะวิกฤตในเรื่องปัญญาสู้สรสางทรงทาโครงการอุปถัมภ์สามนเณที่จังหวัดน่านมอบหมาให้ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ อดีตประธานองค์คมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้เรียกว่าโครงการถวายความรู้ให้กับพระสงฆ์ที่จังหวัดน่านเพอศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ถึงแก่สัญญกรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ถวายงานเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานของในหลวงนะ่ยต่อจากท่านอา จ, จารย์สัญญาธรรมศักดิ์ฉะนั้นทุกปี4ีหปีติดกันนี่เสด็จจังหวัดน่านเสด็จ บ, บ่อยมากปีนี้จึงได้เสด็จเชียงราย พระองค์ท่านรับสั่งกับอาตมาว่าทุกวันนี้หาพระที่มีความรู้ที่เทศรู้เรื่องที่เทศเป็นภาษาคนได้ยากมากพระที่มีความรู้ธรรมะและแตกฉานภาษาบาลีสันสกฤตก็ยากมากหาพระที่น่ากราบน่าไหว้ก็ยากมากพระสงฆ์ของเราบางทีความรู้ก็ไม่ดีศีลาจรรวัตก็ไม่ดีรสนิยมก็ไม่ดี เพราะสุนิยมไม่ดีเนี่ยทำให้ชนชั้นกลางก็ไม่ค่อยยอมรับนะฮะโชว์ชนชั้นกลางไม่ยอมรับท่านก็ไม่สามารถให้ชนชั้นนําฟังได้หรอกก็เทศได้สอนได้เฉพาะคนใกล้วัดนะตาสีตาสายายมายายมีก็ไปได้แค่นั้นธรรมะซึ่งดีที่สุดก็เข้าไม่ถึงชนชั้นนําของชาติพอธรรมะเข้าไม่ถึงชนชั้นนําของชาติชนชั้นนำไม่มีธรรมะขึ้นไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็ขอรับชั้นเห็นไหมเกี่ยวกับพระไหมเนี่ยเนี่ยทุกเรื่องมันเกี่ยวกับพระอย่างนี้ ฉะนั้นสถาบันกษัตริย์ก็มองเห็นวิกฤตก่อนก็สู้อุตสาห์สละเวลาสละพระราชทรัพย์ลงไปทำตอนนี้สมเด็จพระเทพรตัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีของเราทรงรับอุปถัมภ์พระภิกษุสา ม, มนเณรพันกว่ารูปให้พระเนรเหลา่านี้รับทุนการศึกษาเรียกกันว่าทุนเฉลิมราชกุมารีแล้วทรงรับโรงเรียนพระปฏิธรรมของคณะสงฆ์ไว้ในพระราชูปธรรมสเสด็จไปเยี่ยมทุกๆุกปีทรงดูแลทรงเอาใจใส่ ลูกพระลูกเนในพระองค์ท่านถึงขนาดที่เสด็จบางครั้งทรงทอดไข่ถวายสมณเณรดูสิแล้วเราชาวไทยกตัญญูต่อพระศาสนาด้วยการอุปถัมภ์บำรุงพระพิสุทธมเณรเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทาให้ดูไหมเรารู้ไหมว่าสํานักเรียนดีๆอยู่ที่ไหนเรารู้ไหมว่าลูกพระลูกเนนของเราได้อ่านหนังสือดีๆแล้วหรือยังเรารู้ไหมว่าพระเนนของเรานี้ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหม เรารู้ไหมว่าพระเนนของเราที่เก่งๆอยู่ที่ไหนเราปล่อยให้ท่านตกละกาลำบากเรารู้ไหมว่าพระเนนที่เก่งๆดีๆแต่ถูกปิดโอกาสไม่ให้ทำงานถูกขัดขั้ขาดขาเมไหมก็ไปดูท่านเป็นถวายความอบประถมบำรุงท่านช่วยอะไรท่านไม่ได้มากก็ยกมือสาธุถวายกำลังใจท่านถ้าเราเข้าใจว่าการบำรุงพระศาสนาหรือการกตัญญูต่อพระศาสนาที่แท้จริง ก็คือการช่วยกันสร้างพระสร้างเร น, นคุณภาพขึ้นมาถ้าเราทําอย่างนี้ได้สำเร็จนั่นคือการกระตันยูต่อพระศาสนาที่แท้จริงขอยกตัวอย่างการกระตันยูต่อพระศาสนาของคนในสมัยโบราณหลังจากทรรมสังขยนาดูเหมือนจะครั้งที่สองเสร็จแล้วนะพระมหาเถระก็ประชุมกันว่าถัดจากนี้อีกร้อยปีจะเกิดกรลยุก ข, ขึ้นในสถาบันสง์ พระผู้ใหญ่ท่านก็คิดกันว่าเราจะต้องเตรียมคนของเราเอาไว้กู้วิกฤตศาสนาก็เลยมอบหมายให้พระนมซึ่งต่อไปจะเป็นบุคคลสำคัญในวงการศาสนาว่าท่านร้อยปีข้างหน้าจะเกิดวิกฤตศาสนานะศาสนาจะถูกคุกคามเราจะต้องเตรียมคนของเราไว้พระกลุ่มนั้นก็เตรียมวางแผนด้วยการสอดส่องหาว่าคนเก่งอยู่ที่ไหน สับทางการตลาดเดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่า Talent t a l เลนสงครามสอหาคนเก่งซึ่งบรรษัทข้ามชาติจะชอบมากทุกๆปีบรรษัทข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยจะส่งคนของตัวเองไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆใช่ไมฮะไปคัดเอาเด็กเกรดเอมาฝึกงานในบริษัทของตัวเองพอฝึกงานเสร็จปุ๊บก็บรรจุวเข้าทำงานก็เป็นกำลังคนคุณภาพของบริษัทนั้นนั้น เมื่ออาทิตย์ก่อนสมภพไปแสดงธรรมที่บริษัทเอสโซก็มีโครงการเอสโซ่ชาเลนจ์คัดเอาเด็กเก่งทั่วประเทศเลยเกรดใน 3.5 ดขึ้นจนถึง 4.00 เอามาฝึกงานต่อไปเด็กเหล่านี้ก็เป็นกำลังของบริษัทต่อไปฉะนั้นแนวคิดที่ว่าคนเก่งอยู่ไหนไปเอามาฝึกเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญอย่างนี้บรรณาจารย์ของเราท่านก็ทากันมานานแล้วนะในพุทธศตรวรรษที่2 พระสงฆ์ก็มองเห็นว่าโอในพุทธศตวรรษที่3จะเกิดกระเลยุก ข, ขึ้นกับสถาบันสงฆ์ท่านก็เลยเลงว่าเอ๊ะจะต้องหาพระเก่งๆมาบวชมอบหมายเสร็จแล้วพระเถรารุ่นนั้นก็ถึงแก่กรรมมรณภาพไปท่านก็สั่งงานให้พระรุ่นหลังพระรุ่นหลังก็รับนโยบายวันหนึ่งก็สอดส่องดูได้ค้นพบว่ามีเด็กที่มีบุญญาธิการคนหนึ่งมาเกิดในตระกูลพราหมณ์เด็กคนนี้ลือกันว่าอัจฉริยะมากแต่เขาเกิดในตระกูลพราหมณ์เขาไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนา พระสงฆ์ก็ประชุมกันว่าท่านจะต้องแปเอาเด็กคนนี้มาบวชเด็กคนนี้เก่งมากถ้ามาบวชเป็นศาสนาทายาทชั้นนําเนี่ยเทศทีนี้คนฟังตั้งแต่ราชินีกุลลงจนถึงจันทานพระสงฆ์ก็วางแผนพระสงฆ์รูปหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปเอาเด็กคนนี้มาบวชแต่หลักการเอาคนมาเป็นศาสนาทายาทของพุทธศาสนานั้นใช้วิธีละมุดละม่อมไม่ล่อโดยอาเมิดไม่คุกคามด้วยอยาชญาท่านทํำยังไง ท่านใช้วิธีเดินบินธบาตรผ่านหน้าบ้านท่านเดินบินธบาตรผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งสิบหกปีตั้งแต่เด็กเกิดจนเด็กโตว่าหนึ่งเด็กเห็นพระหัวล้นล้นบินธบาตผ่านหน้าบ้านเด็กถามพ่อหัวล้นล้นที่เดินผ่านเราไปเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว่าพระไงลูกเป็นพระเนี่ยต้องเป็นยังไงอะลูก ลูกนึกไปถามท่านสิต่อมาลูกพราหมณ์คนนี้กลายมาเป็นพระสงฆ์รูปสําคัญในพุทธศาสนาเป็นประธานในการทําสังคายนาครั้งที่สามในรัชาสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชกู้วิกฤตศาสนาได้ครั้งหนึ่งเห็นเรื่องวิธีส่งเสริมพระศาสนาวิธีกตัญญูติศาสศาสนาที่ถูกต้องที่สุดคือช่วยกันสร้างพระสงฆ์ระดับมันสมองให้เกิดขึ้นกับสถาบันสงฆ์ให้มากที่สุด ทำได้อย่างนี้เราก็จะกะตันยูต่อศาสนาอย่างแท้จริง 3. กตันยูต่อสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสถาบันซึ่งรักษาแผ่นดินที่เราได้ถือกําเนิดเกิดกายได้กินได้ใช้ได้มีอากาศหายใจได้เดินเหินไปมาได้เล่นอย่างสนุกสนาน ได้มีสิทธิเสรีภาพดำรงชีวิตอยู่ในผืนแผ่นดินไทยของเรานี้ถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินถิ่นนี้ให้สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากยุคสู่ยุคจากราชวงศ์สู่ราชวงศ์แล้วใสมีที่ไหนที่เราคนไทยจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้ฉะนั้นเราอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขในผืนแผ่นดินไทยก็เพราะสถาบันกษัตริย์นี้ช่วยรักษาผืนแผ่นดินมาโดยตลอด ทำอย่างไรเราจึงจะกกัตัญยูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตอบได้สั้นๆว่าถ้ารักในหลวงก็ปฏิบัติธรรมไม่ต้องทําอย่างอื่นใส่เสื้อเหลืองก็ดีแต่มันเป็นเทรนแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปใส่เสื้อสีชมพูก็ดีแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จางเรารักในหลวงเรารักสถาบันกษัตริย์เราต้องช่วยกันเป็นคนดี พระมหากษัตริย์จะมีความสุขที่สุดถ้ามองเห็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์เป็นคนมีศีลมีธรรมเจอทุกข์ที่สุดถ้าทอดพระเนตรไปทางไหนเต็มไปด้วยคนช่อชนอยู่เต็มแผ่นดินฉะนั้นวิธีที่จะกะตัญยูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือการเป็นพลละเมืองดีขอเล่านีิท่านพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งให้ฟังมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระชราภาพมากวันหนึ่งอยากจะสละราชบัลลังก์ แต่อยากจะทดลองดูภูมิปัญญาของพระโอรสว่ามีปัญญาแค่ไหนเรียกพระโอรสเข้ามาหาโอรสก็กระดิมยิ้มย่องมากว่าวันนี้จะได้รับมอบพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพระจ้าถายญาติตัวจริงพอเสด็จพ่อเรียกเข้ามาปุ๊บแทนที่จะมอบพระมหาพิชัยมงกุฎหรือพระแสงขันชัยสีเสด็จพ่อบอกว่าลูกลูกไปขุดดินจากหน้าตาหนักพ่อมาก่อน พระจ้ทญญาทายากริ้วมากสเสด็จพ่อเอาดินมาทําไมลูกไปขุดมาลูกชายไปขุดดินมานี่ไงพ่อดินก้อนหนึ่งอะเอามาทําไมเนี่ยสเสด็จพ่อบอกโลกสิ่งสูงค่าที่สุดที่พ่อจะมอบให้โลกไม่ใช่พระมหาพิชัยมงกุฎไม่ใช่พัทวาลาวีชนีไม่ใช่นพดลเสวตฉัตรไม่ใช่พระแสงการชัสี แต่คือดินก้นนี้เสด็จพ่อลูกไม่เข้าใจอะ่ะหมายความว่าไงพระมหากริยัผู้ชาราก็บอกว่าลูกบรรลังของพ่อตั้งอยู่ในท้องพระโรงท้องพระโรงของพ่อตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินผืนแผ่นดินที่พ่อได้เป็นกรัตรปูของเจ้ารักษาไว้ปูของเจ้าได้เป็นกริยัก็เพราะว่าปูของปู สืบทอดกันขึ้นไปกี่ชั่วอายุขัยละ่ะลังเลือดเฉลอมดินสืบทอดกันมาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในราชสมัยของพ่อไม่ใช่เวตฉัตรไม่ใช่มหาพิชัยมงกรแต่คือผืนดินถ้าไม่มือผืนดินพระราชวังของเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในเมื่อพระราชวังตั้งอยู่ไม่ได้รราชบัลลังก์ ก็เสถยดอยู่ในท้องพระโรงไม่ได้ฉะนั้นในบ้าดาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในประเทศของเรานะลูกนะไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่าผืนแผ่นดินถ้าลูกเห็นคุณค่าของผืนแผ่นดินนี้พ่อจึงจะมอบบัลลังให้ลูกชายได้ฟังอย่างนี้เข่าสุดเลยไม่นึกว่าดินก้อนเดียวจะลึกสึงถึงกระดานนี้ก้มลงกราบแผ่นดินเป็นที่มาของธรรมเนียมการกราบแผ่นดิน <c oughs> ถ้าเรากราบแผ่นดินด้วยความตระหนักรู้ในผืนแผ่นดินอย่างนี้เนยะไม่มีใครทํำร้ายแผ่นดินของพ่อแล้วฉะนั้นเราอยากจะกระตัญญูต่อสถาบันพระหมหากรรษัตริย์อย่าทํำร้ายแผ่นดินของพ่ออาตมาขอแค่นี้ยด้วยการเป็นคนดีพ่อจะมีความสุขที่สุดถ้ามองไปทางไหนแล้วเห็นลูกมีศีลมีธรรม พ่อจะทุกข์ที่สุดถ้ามองไปทางไหนแล้วเห็นลูกเป็นสีถนนชัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองอาจารย์าพะผู้เรื่องนี้ไม่ใช่ประชดประชันแดกดันใครนะพูดตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าจริงๆพระมาหกากษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกอยากเห็นผลระเมืองของตัวเองมีธรรมฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นพระมาหกากษัตริย์จึงมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าพระมาหกากษัตริย์ต้อ ง, งทรงธรรมคือต้องทรงทศพิธราชธรรม พระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิราชธรรมเรียกว่าธรรมราชาและเมื่อกษัตริย์เป็นธรรมราชาพระสกนีกรก็ต้องเป็นผู้ทรงธรรมตามพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องเป็นประชาชนที่ทรงศีลทรงธรรมเหมือนกับพระราชาเรารักพระราชาพระราชาทรงศีลเราก็ทรงศีลพระราชาทรงธรรมเราก็ทรงธรรมฉะนั้นในราัชาสมัยของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชจึงมีศีลาจารึกเอาไว้ ว่าในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั้นประชาชนพลเมืองนั้นนิยมทรงศิลและก็โวยทานกันเป็นเรื่องปกติวิสัยเห็นไหมเรากระตันยูต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีอย่าปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาในแผ่นดินอย่าปล่อยให้ความชั่วถูกทำให้เข้าใจผิดจนกลายเป็นความดี อย่าปล่อยให้สิ่งผิดปกติกลายเป็นสิ่งปกติในหลวงทรงมีพระาราชกระแสรับสั่งไว้นานแล้วว่าทุกวันนี้น่าวิตกมากว่าหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านเมืองของเรานั้นแต่ก่อนเคยเชื่อกันว่าชั่วว่าเสื่อมได้รับความยกย่องนับถือว่าเป็นความดีนี่เป็นสิ่งซึ่งอันตรายที่สุดของสังคมไทยมีพระาราชกระแสเรื่องนี้ตั้งแต่ 2,516 เห็นไหมหลายสิ่งหลายอย่างในเวลานี้ซึ่งเป็นของเลวเรายกย่องว่าเป็นของดี mm hmm. การโกหกนะเป็นของเลวเดี๋ยวนี้ใครใก็โกหกได้ใครๆเขาก็ทํากันคนไม่โกหกต่างหากคือเฉยคอรัปชันใครๆครเขาก็ทํากันคนไม่คอรัปชันต่างหากคือคนที่ไม่รู้จักเอาตัวรอดอาแต่ ม, มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นสี่ เป็นคนที่เก่งมากๆจากภาคเอกชนรัฐวิสาหากิจมาขอตัวไปช่วยงานได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาเป็นอย่างดีวันหนึ่งพอไปอยู่ในองค์กรของรัฐแห่งหนึ่งถึงเทศกาลปีใหม่ก็มีคนมาแสดงความยินดีในวันปีใหม่ก็เอาเข้าวเอาของมาให้วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ได้สร้อยคอทองคา มูลค่านี้เรียกว่าซื้อรถเก่งได้คันหนึ่งเพราะมาในแพ็กเกจจิ้งที่หรูมากมากันเป็นคอลเลกชันเอามาวางตรงหน้าเธอก็ถามว่าในโอกาสอะไรคะเราก็บอกว่าปีใหม่ด้วยการที่ถูกอบรมสั่งสมมาว่าต้องไม่กินสินบนเธอก็บอกว่าคุณเอากลับไปเธอ ดิฉันไม่รับทางโน้นก็บอกว่าคุณรับไว้เถอะค่ะพระผู้ใหญ่ที่นี่เขารับกันทุกคนเห็นไหมแล้วเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องธรมรมดาขององค์กรแห่งนั้นและอาตมาเชื่อมั่นว่าแต่ละองค์กรเป็นอย่างนี้ไปแล้วในเมืองไทยคุณยอมดูสิเนะี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักบ้านรักเมืองจะมีความสุขอยู่ได้ยังไงถ้าวัฒนธรรมคอร์รัปชันกลายเป็นวัฒนธรรมกระแสะหลักของประเทศไทยไปแล้วฉะนั้นถ้าเราอยากจะกะตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์เราจะต้องไม่ทำลายแผ่นดินของพ่ออะไรที่ไม่ดีต้องช่วยกันปัดเป่าทิ้งไปอะไรที่ชั่วที่เสื่อมต้องช่วยกันขจัดออกไปถ้าเรายอมเย็นชากับความเชื่อความเสื่อมนะ่ สุดท้ายบ้านเมืองของเราซึ่งเคยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็จะกลายเป็นบ้านเมืองซึ่งไม่มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมไม่มีบรรทัดฐานทางศิลธรรมแล้วเราก็จะอยู่กันไปท่ามกลางวิกฤตการนี่แหละคือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นกับสถาบันและปัญหาซึ่งเกิดขึ้นกับสังคมไทยฉะนั้นหากเรารักในหลวงอยากจะกระตันยูต่อสถาบันการสัตย์ มาช่วยกันเป็นมือเป็นไม้ให้ธรรมะอย่าปล่อยให้อธรรมรุ่งเรืองอย่าปล่อยให้ธรรมะรวยแสงต้องช่วยกันส่งแสงแห่งธรรมะต้องช่วยกันฟื้นฟูผู้สรงเศิลสรงธรรมให้ขึ้นมาเป็นบุคคลผู้นำของสังคมไทยให้เด็กไทยให้ลูกไทยหลานไทยได้เห็นว่าคนดีเป็นอย่างนี้นะลูกคนเก่งเป็นอย่างนี้นะลูกคนที่เราควรจะเจริญรอยตามเป็นอย่างนี้นะลูกสุภาพบุรุษเขาเป็นอย่างนี้นะลูก เด็กไทยจะได้ไม่สับสนระหว่างความดีความชั่วพอเราทำอย่างนี้ได้จนกระทั่งคนไทยเนี่ยเห็นถูกเป็นถู ก, ถกเห็นผิดเป็นผิดไม่เห็นกองจากเป็นดอกบัวนี่แหละคือวิธีกตันยูต่อสถาบันกษัตริย์ที่ดีที่สุดเพราะกษัตริย์ทุกพระองค์อยากเห็นพระสุ ก, ก่อนิกรในพระองค์เป็นคนดีนี่คือความกตันยูอย่างที่สองความกตันยูอย่างที่สามก็ย้อนกลับเข้ามา เราทุกคนควรจะกระตันยูต่อผู้มีอุปการะคุณต่อเราในห้องนี้ไม่มีใครหรอกนะที่ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ขึ้นต่อคนอื่นเลยเราทุกคนต่างก็เป็นนี่บุญคุณของคนและสิ่งของมากมายเหลือเกินในพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอิทัปปัจจยตาแปลว่าะวะสิ่งนี้มี เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยก็หมายความว่าที่เรามีตัวมีตนอยู่เนี่ยก็เพราะว่ามีพ่อแม่เป็นปัจจัยเราก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่พ่อแม่มีก็เพราะว่ามีอะไรปู่ย่าตายายเป็นปัจจัยของพ่อแม่ต่างคนต่างก็ขึ้นต่อกันและกันเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดผมของคุณโยมเนี่ยที่ได้สะาทุกวันนี้ก็ด้วยแชมพูใครก็ไม่รู้ ไปอยู่ในโรงงานผลิตแชมพูผลิตเสร็จก็มาให้เราใช้เออเราก็เป็นนี่คนงานในโรงงานแชมพูนะแว่นตาที่เราใช้ใครก็ไม่รู้เป็นคนเป็นคนตัดแว่นเราก็เป็นนี่คนตัดแว่นนะเสื้อผ้าที่เราสวมมาจากโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่ไหนก็ไม่รู้เราก็เป็นนี่บุญคุณแรงงานอีกเก้าอี้ที่เรานั่งช่างที่ไหนก็ไม่รู้ต่อเราก็เป็นนี่ช่างทําเก้าอี้ อากาศที่เราหายใจในห้องแอร์เย็นฉ่ำนี้เราก็เป็นหนี้ต้นไม้นะที่ช่วยคายออกซิเจนดีๆให้เราได้หายใจไมโครโฟนที่เอตมาภาพใช้นี่ใครก็ไม่รู้เป็นเจ้าภาพถวายไว้ที่นี่อัตมาก็เป็นหนี้บุญคุณญาติโยมอีกโอ้ดูซิแท้ที่จริงมนุษย์ต่างก็เป็นหนี้คนต่างก็เป็นหนี้สิ่งของต่างก็เป็นหนี้จังหวะเวลาและโอกาส ฉะนั้นไม่มีใครเลยที่โดดเด่นเป็นส ง, ง่าอยู่ได้โดยตัวเองล้วนๆเราทุกคนต่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันฉะนั้นสิ่งซึ่งเราควรจะกตัญญูก็คือทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งทําให้เราได้ก่อเกิดถือกํานิดขึ้นมาแล้วไ ด, ได้ดำรได้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในวันนี้ใครก็ดําที่มีคุณโน ก, กาลต่อเราไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้ยิ่งน้อย หากมีคุณอุปการันต่อเราเราควรกรตันญยู่ฉะนั้นคนที่เราควรกรตัญญูประเภทที่สามหรือกลุ่มที่สามก็คือคนทุกคนซึ่งเคยมีอุปการะคุณต่อเราอรรมมาภาพได้พบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่าเรื่องที่มีคุณค่าเหลือเกินให้ธรรมาฟังท่านเล่าว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์นั้นเป็นพระมหาเถราที่มีความกระตันญยูมาก สมัยที่ั่นอยู่วัดพระพี่เรนเนี่ยมีคุณโยมคนหนึ่งเคยมาถวายจตตรปัจจัยถทยธรรมกับท่านวันหนึ่งหลวงพ่อไปนอนโผลอยู่ในโรงพยาบาลอ่านหนึ่งสือพิมพกัพลิกอ่านไปทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้ า, นาไปเจอประกาศเชิญแขกเชิญคนรู้จักมักคุณไปร่วมงานศพของนายจุดจุจุดจุ ด, จ ด, จด หลวงพ่ออ่านเจอหลวงพ่อก็นึกว่าเอ๊ะคนนี้นี่ก็แม่ธรามจะตัปัจจัยทายาธรรมกับเรานี่นะหลวงพ่อไม่บอกหมอหลวงพอ่อหฮมจีวรนแล้วไปร่วมงานศพเลยหมอมาเห็นแต่เตียงว่างเปล่ากลาคืนหลวงพ่อกลับมาโรงพยายบาลอีกครั้งหนึ่งหมอถามหลวงพ่อไปไหนอาดมาไปงานศพงานศพใครอ๋องานศพโยมคนหนึ่งชื่ออะไรหลวงพ่อก็บอกชื่อไป เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหมอยังงงเลยว่าหลวงพ่อทำไมให้ความสําคัญกับเขาเหลือกเกินแต่คุณโยมรู้ไหมข้าวทัพพีเดียวพระที่แท้จริงยังต้องจดจำํำฉะนั้นนั่นขณะพระอรหันยังต้องจดจํานับระษาอะไรกับพระธรรมดาธรรมดาจะไม่จดจาพระทูรูปก็อยู่ได้เพราะญาติโยมนั่นแหละนี่เป็นเหตุนหนึ่งที่ธรรมะภาพต้องทำงานหนักจนทุกวั น, น เพราะอาตมารู้ดีว่าถ้าอาตมาภาพไม่ได้มาบวชในร่มเงาพุทธศาสนาอาตมาก็คงเป็นแค่เด็กคนหนึ่งซึ่งอาจจะไปอยู่ในโรงงานแห่งใดก็ไม่รู้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆมีลูกคนหนึ่งมีพรรธญาคนหนึ่งมีกิ๊กอีกสักคนหนึ่ง <c oughs> จะมาทําประโยชน์อย่างนี้คงไม่ได้นะแต่ดูซิหนึ่งทุกวันนี้เราเราได้ทําประโยชน์เยอะแยะเหลือเกินเพราะอะไร <c oughs> เพราะศา ส, สนาให้เรามามากแล้ว เราก็อยากกลับไปให้แกศาสนานี่เป็นเหตุที่เราต้องทำงานหนักจนทุกวันนี้พระเดชวิคุณหลวงพ่อท่านเป็นพระที่กตันอยู่มากๆาแม้คนคนนั้นจะไม่ไม่จดจำท่านแล้วแต่ท่านจดจำเขาแหละท่านทำไม่ใช่เพราะต้องการให้ใครมายกย่องแต่เป็นวิสัยบัณฑิตนักปราศถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นบัณฑิตหรือเป็นนักปราศมีเครื่องวัดอยู่อย่างหนึ่งคือท่านจะเป็นคนกตัยู ขอเล่าตัวอย่างของสุดยอดนักปฏิในพระพุทธศาสนาไอ้เสท่านหนึ่งให้ฟังพระธรรมเสนาบดีสาวิตริบทพระธรรมมัเสนาบดีสารีบุต ร, ร, ร, น, รนั้นว่ากันว่าท่านเป็นพระที่มีปัญญาอย่างยิ่งแต่นอกจากมีปัญญาอย่างยิ่งถึงขั้นเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็เป็นพระยอดกตันยูซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องมากถึงขนาดตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บรรดาสาวกของเราซึ่งมีความกตัญญูไม่มีใครเกินสารีบทท่านกตัญญูยังไงวันหนึ่งเมื่อท่านยังเป็นพระใหม่ๆโนเนมยังไม่มีชื่อเสียงไปเดินวินธบัตรพราหมณ์คนหนึ่งตักบาตรถวายท่านหนึ่งทัพพีตอนนั้นพราหมณ์คนนั้นยังเป็นเศรษฐีอยู่ต่อมาพราหมณ์คนนี้ถูกลูกหลานและค า, า, าทาตบริวารปลอกลอกจากพราหมณ์มหาศาลกลายเป็นคนยากคนจนสุดท้าย เพราะเหตุเตยเตยนี้ออกจากบ้านค่ำไหนนอนนั่นขอทานเขากินวันหนึ่งพรามคนนี้ก็เตยเตยมาถึงวัดอยากจะบวชหนีความยากจนอยากจะบวชหนีปัญหาชีวิตเดินไปในวัดพระทั้งวัดพรามเคยทำบุญตักบาตรร่วมทั้งนั้นเพราะแกรวยอ่ะแกทำ บ, บุญตักบาตรทุกปีแต่พระจำนวนมากทำทีเป็นจำพรามคนนั้นไม่ได้เพราะอะไร แกเป็นแค่คนเคยรวยมันไม่เหมือนคนรวยนะคนรวยมาก็ให้ความสำคัญระดับเอเิกเลยเนี่ยดูแลกันอย่างดีห้าดาวแต่พอคนเคยรวยเดนเข้ามาเนี่ยพระจำนวนหนึ่งก็ทำเป็นจำไม่ได้อะพราหมณ์แกเจ็บช้ำน้ำใจมากนึกสังเวชว่าโอ้ชีวิตตอนที่เรามีเงินมีทองเดินไปทางไหนมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังนี่เราไม่มีเงินไม่มีทอง ชีวิตร่วงโรยตกอับถึงเพียงนี้เดินมาพึ่งพระซึ่งเป็นดังหนึ่งที่พึ่งสุดท้ายของสัตวโลกพระยังทําเป็นไม่รู้จักชีวิตมันบัดซบจนกระทั่งเดินมาถึงกุฏิของพระธรรมเสนาบดีสารีบทพราหมณ์เดินเข้ามามาขอบวชพระสารีบุต ร, ตรตจําได้อู้พ่อพราหมณ์เอาสิอยากบวชมามา ม, ามา เดี๋ยวฉนเป็นอุปชาให้พระสารีบุตรจัดการบวชใหนะ้และแล้วสอนธรรมะให้จนบรรลุธรรมเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกประชุมเลยเราะเป็นวาระแห่งชาตินะนะ <c oughs> การที่สาวกไม่เห็นความสําคัญของความกตัญญูนี้เรื่องใหญ่มากนะใหญ่มากเรากินข้าวใครเราต้องจําได้ใครทําคุณกับเราเราต้องจําแต่เรามีคุณกับใคร ลืมเสียจะได้ไม่อหังการนะพระพุทธเจ้าก็บอกสารีบทฉันเนี่ยได้ทราบมาว่าพรามเนี่ยตกยากไปขอบวชกับพระรูปไหนรูปไหนไม่มีใครบวชให้เลยเพราะไม่มีกระเด็ตอะ่ะไม่มีใครกล้าบวชให้กลัวบวชแล้วมาสร้างปัญหาแต่ทำไมเธอจึงบวชให้เนี่ยเสียงเหมือนกันนะสารีบท บวชให้คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเนะี่ยพระสารีบุตรก็บอกข้าแต่พระผู้มีพระภาคหม่อมฉันบวชให้เพราะมาระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งพราหมณ์คนเนี้ยเคยถวายเข้าสวยแก่หม่อมฉันหนึ่งทัพพีวันนี้พราหมณ์ตกยากมาขอความช่วยเหลือทําไมหม่อมฉันจะไม่ช่วยเขาละ่ะในเมื่อเขาก็เคยช่วยหม่อมฉันมาแล้วพระเจ้าตรัสสารีบุตรทัพพีเนี่ยเข้าสวยหนึ่งทัพพีเนี่ยนะ พระพุทธเจ้า่ะหม่อมฉันยังระลึกได้อยู่พระพุทธเจ้าสาธุเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ค่อยสาธุให้ใครง่ายๆนะถ้าถูกพระพุทธเจ้าสาธุให้นี่ถือว่าเป็นมนุษย์เกรดเอเลยนะพระพุทธเจ้าบอกสาธุสารีบทเธอเป็นยอดกตัญญูและหันไปตรัสกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายในบรรดาสาวกของเราซึ่งเป็นยอดกตัญญูไม่มีใครเกินสารีบทพวกเธอควรจะเจริญรอยตามสารีบทผู้บรของเรา นี่ยกย่องให้เป็นลูกชายคนโตเลยนะเพราะฉะนั้นทุกท่านฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงท่านเป็นพระอระหันต์เข้าสวยทัพพีเดียวท่านก็ไม่ลืมแต่มนุษย์เราจํานวนมากทุกวันนี้บางคนได้รับความช่วยเหลือเกือ้อกูลจากคนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสเป็นคําแนะนําเป็นความรู้ความสามารถเป็นตําแหน่งแห่งหน แต่พอเราเชิดหน้าชูคอได้แล้วเรากับถีบนั่งร้านเหล่านั้นทิ้งซะเห็นไหมพอเราเป็นคนอากตัญยูเท่านั้นเองนะปัญหาสังคมมันก็เกิดขึ้นเราเกิดมาจากแม่แล้วเราก็ทิ้งแม่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราได้ทำงานพอเราทำงานตั้งตัวได้เราก็ถีบผู้ใหญ่เพื่อนให้เราเยียเงินตั้งเนือตั้งตัวพอตั้งตัวได้เราก็ทำเลิ เจ้านายเปิดโอกาสให้เราได้ทํางานพอเราทํางานประสบความสําเร็จปุ๊บเราก็มองไม่เห็นหัวเจ้านายปู่ย่าตายายเคยเลี้ยงดูฟูมฟักรักษาเราพอเราโตขึ้นได้เด็บได้ดีเราก็บอกว่างานยุ่งไม่มีเวลากลับไปเยี่ยมท่านหรอกนี้คือมนุษย์ในสัตว์วัตของเราอะรายได้สูงแต่การันญูต่ํา mm. <laughs> ความรู้สูงแต่คุณธรรมต่ํา นี่กลุ่มบุคคลประเภทที่สามที่เราจําเป็นจะต้องกตัญญูก็คือกลุ่มบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเราจะมากจะน้อยก็ตามเราควรจดจําไว้ความกตัญญูกตะเวทีนั้นเป็นจรรญาของผู้ดีภาษาพระเรียกว่าภูมิเวสปุริสานังกตัญยูกตะเวทิตาความกตัญญูกตะเวทีนั้นเป็นพื้นภูมิของคนดีสกลุ่มบุคคลที่เราจําเป็นจะต้องกตัญญูคือ มารดาบิดาบุพการีของเรามนุษย์ทุกคนไม่มีใครเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ไม่มีใครเกิดมาจากกระป๋องไม่มีใครเกิดมาจากห้างสปปรรพสินค้าแต่แท้ที่จริงเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ของเราแต่ก็แปลกเหมือนกันว่าบางครั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ก็เกิดมาจากพ่อจากแม่ แต่มนุษย์จำนวนมากก็ได้พาการหลงลืมพ่อหลงลืมแม่ผู้ให้กําเนิดของตัวเองซะการหลงลืมพ่อหลงลืมแม่นั้นหลงลืมกันได้หลายรูปแบบบางคนก็หลงลืมด้วยการบอกว่าไม่มีเวลาบางคนก็หลงลืมด้วยการทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักไม่สอบถามข่าวคราวบางคนก็หลงลืมด้วยการยกพ่อยกแม่ให้ไปอยู่ในความอุปการะของคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองมือดีมือดีเท้าดี เงินดีอะไรอะไรก็ดีแต่ก็ไม่ดูไม่แหละท่านนี่คือสิ่งซึ่งน่าเสียใจฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกทุกคนเราจะต้องกระตัยูต่อบุพก า, ารีคือพ่อแม่ของเราความกระตันยูต่อมารดาบิดานั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ทอดทิ้งครั้งหนึ่งพระแม่นะของพระองค์ท่านอยากจะถวายสังฆทานจริงๆไม่ใช่ถวายสังฆทานอยากจะถวายไตรจีวรให้พระลูกชาย คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วว่าถ้าถวายกับพระองค์ก็ได้บุญไม่เยอะเพราะเป็นการถวายแบบเจาะจงเรียกว่าปาฏิบุคลิกทานพระองค์อยากจะให้สมเด็จแม่ได้บุญมากที่สุดจึงไม่รับผ้าตรีจีวอนของสมเด็จแม่พระแม่นะนางเธอนี่ก็เสียพระไถ่มากบอกว่าทาไมลูกทากับแม่อย่างนี้ัต่พอตอว่าพระพุทธเจ้า ผู้เจ้าก็บอก็บอกว่าเสด็จแม่ถวายกับสงฆ์จะมีบุญมากกว่าพระนางเธอก็น้อมพระตรีจีวรไปถวายกับพระสงฆ์คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไม่รับก็เป็นต่างพอต่อว่าว่าพระสารีบุตรเนี่ยไม่ไม่ดูแลพระนางเธออีกน้อยพระไทยไปถวายพระอนนท์พระเจ้าหลานเธอพระอนนท์ก็ไม่รับถวายแต่ละรูปแต่ละรูปไม่มีใครรับไปถวายกับพระบวชใหม่ในวันนั้นพระรูปนั้นรับ พระนางเธอก็น้อยพระไทยว่าโอ้ทําไมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่รับพระเจ้าหลานเธอก็ไม่รับพระผู้ใหญ่อย่างพระสารีบดีก็ไม่รับแล้วพอโยมมาถวายกับพระบวชใหม่ท่านรับโอ้เป็นถึงพุทธมานดาแต่ทําไมต่ํำต้อยได้ขนาดนี้พอไปถวายกับพระบวชใหม่พระพุทธเจ้าสาเท่าเลยพระองค์ถวายถูกรูปแล้ว พระพระบุตรใหม่รูปนั้นในอนาคตจะได้มาตั้สรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึง่งพระศรีอริยะเมตไตรนะโอ้พอ ร, รู้อย่างนี้เนี่ยพลับปึ้มเหมือนทายน้ำพระเนตรไหลเลยเห็นไหมถ้าถวายกับพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ทรงรับพระองค์ก็จะถวายด้วยความใจแคบอะถวายให้ลูกอ่ะใช่ไหมแม่ก็ให้ลูกอยู่แล้วอะใช่ไหมจิตใจสูงไหมเวลาพ่อแม่จะเอาของให้ลกูกต้องฝืนใจไหม ไม่ต้องฝืนมันให้ได้เลยก็แม่ก็ต้องดูแลลูกอะ่ะเพราะฉะนั้นพระนางเธอก็จะให้ด้วยความใจแคบไม่ได้บุญนะไปให้พระอานนท์พระเจ้าหลานเธอใช่ไหมจิตใจก็แคบอกีกทีนี้พอไปให้กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่ท่านเป็นพระชื่อดังอะ่ะใครๆก็รู้จักก็แหงอะไรสิก็ถวายกับทั่งน่ะใช่ไหมก็ไม่ได้บุญเท่าไหร่อะ่ะ ทุกคนก็อยากถวายของกับพระดังๆใช่ไหมเออเนี่ยนะพอถวายกับพระดังๆเนี่ยแล้วพระธรรมดาอยู่ไหนอดอย่างปากแห้งสิสุดท้ายไปถวายกับพระบวชใหม่กว่าจะได้ไปถวายกับพระบวชใหม่พระนางได้ฝึกใจใจที่แคบมาแต่เดิมค่อยกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นจนไปถึงพระบวชใหม่รูปสุดท้ายพระนางเธอ ถวายทานด้วยจิตที่คิดจะให้จริงๆไม่ได้ถวายแก่คนรู้จักไม่ได้ถวายแก่พระที่มีชื่อเสียงแต่ถวายกับพระโ น, โนเน ม, มรูปหนึ่งจิตเป็นกลางและวางเฉยจิตเป็นกลางและวางเฉยเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆความรักเอกคตาจิตแล้วก็เป็นโชคของพระนางที่นั่นคือพระโพธิสัตว์ การถวายผ้าตรายจีวรของพระนางเธอเป็นที่มาของการถวายสังฆทานสังฆทานจึงแปลว่าถวายแก่ส่วนรวมไม่จำเพาะเจ้าจงพระรูปใดรูปหนึ่งทําไมทรงต้องการให้ถวายแก่ส่วนรวมเพราะพระพุทธองค์อยากจะให้ราชาพุทธทั้งหลายให้ความอุปธรรมแก่พระสงฆ์ทั้งปวงไม่ให้อการอุปธรรมบํารุงนั้นไปกระจุกอยู่ที่พระรูปใดรูปหนึ่งพอไปกระจุกอยู่ที่รูปใดรูปหนึ่งปุ๊บพอพระรูปนั้นมรณภาพาไป ยมก็จะทิ้งศาสนาเอาศาสนาไปแขวนไว้กับพระใช่ไหมแต่พอถวายกับสง์ทั้งปวงแล้วกลายเป็นการถวายสังฆทานแล้วเป็นการฝึกใจให้สูงและได้บุญมากที่สุดด้วยคนก็จะให้ความสําคัญกับพระสงฆ์ทั้งปวงไม่เจอดจงไปที่พระที่มีชื่อเสียงเท่านั้นโดยวิธีนี้ก็เกิดประเพณีการถวายสังฆทานมาจนทุกวันนี้เห็นไหมพระลูกชายอยากให้แม่ได้บุญมากที่สุดสู้อุตส่าห์แม่รับผ้านั้นไว้ด้วยพระองค์เอง เมื่อให้แม่ถวายแล้วการถวายของแม่จะเป็นต้นแบบให้กับชาวพุทธทั่วทั้งโลกอุปถัมปรุงพระสงค์มาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแม่ของพระองค์ท่านก็ได้บุญมาจนทุกวันนี้ที่ได้เริ่มต้นสังคทานเอาไว้ไงเห็นไม้มฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็กตันอยู่ต่อพระพุทธมันดาถึงขนาดนี้ในพรรษาที่7คัมภีรีเขียนเอาไว้ว่าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมันดาบนสวรรค์แสดงทําโปรโดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งสามเดือน ทำที่คัดเลือกมาแสดงคือพระอภิธรรมทําทไมต้องเป็นพระอภิธรรมเพราะทรงมาราลึกเนื่องถึงว่าเวลาพ่อกับแม่ได้ของอร่อยมาต้องให้ลูกกินด้วยพ่อแม่ได้กินของอร่อยก็อยากให้ลูกได้กินคุณโยมเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ธรรมาพ่ออายุสาสิหปีโยมพ่อธรรมาพ่ออายุเจ็ดสิบหกปีอัตามาเพิ่งกลับบ้านมาเมื่อวานน่ะมีคนเอาเออกมาขามหวานจากเพชรเจ็บุญ ไปให้โยมพ่อธรรมาพ่อธรรมาไปบ้านเยโยมพ่อแก่มะขาหวานมาให้ดอดธมาอดธมาก็บอกก็เขาให้พ่อทําไมพ่อไม่กินนะพ่อบอกอยากให้ตุ๊หรือลูกเนี่ยทางเหนือยเขาเรียกตุนะเนร์เขาเรียกพระนะก็อยากให้ลูกเนะี่ยได้กินหรืออยากให้ตุเจ้านะอยากให้ตุ๊พ่อเก็บไว้ให้ตุ๊แปลเป็นภาษาไทายก็พ่อก็เก็บไว้ให้ลูกนั่นแหละ อุ้ยธรรมาบอกว่าไม่ต้องฉันอรรมาก็อิ่มแล้วถ้าเจอพ่อแสนดีอย่างเนี้ยนี่ปีนี้เลยได้รางวัลพ่อดีเด่นเลยนะอยธมามันนึกว่าดูซิเนี่ยลูกอายุสามสิบห้าแล้วอ่ะพ่อเจ็ดสิบหกแล้วเลิกอุ้มธรรมมามากี่ปีแล้วอารมาบวชอายุสิบสามอ่ะแต่พ่อก็ยังมองลูกว่าเป็นลูกคนเดิมมือนเดิมเคยป้อนข้าวป้อนน้ายังไงพ่อก็ยังทําเหมือนเดิม คุณโยมดูซิว่าหัว อ, อกของพ่อของแม่เวลารักลูกนั้นรักจนตายจากกันไปข้างหนึ่งแต่หัว อ, อกของลูกที่รักพ่อรักแม่นั้นบางครั้งพ่อแม่ไม่ตายลูกก็เลิกรักแล้วจริงไหมมีคุณโยมคนหนึ่งอยู่ที่อเมริกาทำงานเจ็ดวันแม่อยู่เมืองไทยป่วย ที่น้องโทรศั้วจับไปบอกให้มาเยี่ยมแม่เธอก็บอกว่าเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนงานยุ่งจนกระทั่งแม่เขาไปนอนโรงพยาบาลพี่สาวคนโตก็บอกแม่อากันไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันที่หน้เดี๋ยวขอเคลียร์งานก่อนพี่ก็โทรมาตามอีกพี่แม่ไม่ก็ดีนะเริ่มเพลิละพี่ก็บอกเดี๋ยวอันที่เน้าขอปั๊บเดี๋ยวขอเคลียร์งานก่อนวันรุ่งขึ้นน้องโทรมาบอกพี่ พี่ต้องเคลียร์งานแล้วนะทำไมอ่ะแม่ไปแล้วเธอเดินไปบอกเจ้านายบอกว่าขอเคลียร์งานยาวหนึ่งอาทิตย์ไปไหนไปเยี่ยมแม่แล้วแม่คุณป่วยด้วยโรคอะไรไม่ได้ป่วยค่ะเอ้าไม่ได้ป่วยแล้วคุณไปทำไมแม่เสียแล้วค่ะนายก็ถามว่าก็แล้วทำไมคุณไม่ไปเยี่ยมตอนแม่ป่วยล่ะหนูเคลียร์งานไม่ได้ค่ะ นี่คือตัวอย่างของคนที่รักงานยิ่งกว่าแม่เธอเลยบอกว่าสุดท้ายเลยได้เคลียร์งานยาวและเป็นการกลับบ้านครั้งเดียวที่ได้เห็นหน้าแม่ตอนแม่อยู่ในลงศพลูกจำนวนมากแม่ยังไม่ไปเลยลูกก็ลืมแล้วแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นรักลูกจนกระทั่งตายจากลูกกันไปข้างหนึ่งแต่ลูกๆจำนวนมากพ่อแม่ยังไม่ตายก็ทาท่าจะลืมแล้วเอางานเป็นสาระนะเอางานสาคัญก่าพ่อกว่าแม่ คุณเคลียร์งานไม่ได้เลยตลอดเวลาที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่กระทั่งแม่ตายจึงบอกว่าเคลียร์งานได้สำเร็จจะมีประโยชน์อะไรแต่คุณไปกราบท่านเมื่อท่านไม่มีลมหายใจใช่ไหมฉะนั้นในภาษาที่เจอในพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์เอาพระอภิธรรมขึ้นไปแสดงโปรดเพราะทรงราลึกนึกถึงว่าพ่อแม่ได้กินของที่อร่อยที่สุดพ่อแม่จะให้โลกเสมอ เวลาพระองค์จะเอาธรรมะที่ดีที่สุดไปให้แม่พระองค์ก็เลือกว่าธรรมที่สําคัญที่สุดคือพระอภิธรรมเลือกเอาภิธรรมไปสแสดงปโปรดยอมแม่สามเดือนจนยอมแม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเชื่อมั่นหนักแน่นแล้วว่าเป็นพระอริยะบุคคลแน่นอนก็เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์นั่นเป็นเหตุให้เราพระอภิธรรมไปส่วนในงานศพจนทุกวันนี้เพราะว่าเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าเลือกไปตอบแทนค่าน้ํานมแม่บนสวรรค์ มีนักศึกษาถามอาตมาว่าท่านอาจารย์พูดไปได้ยังไงท่านอาจารย์ก็คนรุ่นใหม่มาพูดเรื่องสวรรค์อาตมาบอกว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์นนะมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในมนุษยโลกแต่แม่นั้นอยู่ในเทวโลกอยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละภพแต่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นลูกกตัญญู ความต่างแห่งโลกความต่างแห่งพบจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่ลูกจะกระตัญยูต่อแม่นั่นอยู่คนละโลกนะพระองค์พยายามแสดงขึ้นแสด็งขึ้นไปแสดงความกระตันยูต่อแม่แต่เราเราท่า น, ท, า น, ท, านทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์นี่อยู่ในมนุษย์สยโลกด้วยกันน่ะเเคยแวะไปหาพ่อหาแม่ไหมอยู่โลกเดียวกันเห็นเห็นกั น, นอยู่เนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังกันอยู่เนี่ยอยู่ในโลกเดียวกันแท้ๆเราเคยแบ่งเวลาไปหาพ่อหาแม่ไหม นี่สำคัญพระพุทธเจ้ากับเสด็จแม่อยู่กันคนละโลกเมื่อรำลึกนึกถึงพระคุณแม่ก็เสด็จไปถึงแม้จะอยู่ต่างกันคนละโลกพระองค์ก็ทรงทำวีซ่าขึ้นไป <c oughs> เออเรานี่อยู่ในโลกเดียวกันเนี่ไม่ค่อยกลับบ้านเลยไม่ค่อยโทรสัหาพ่อหาแม่เลยไม่ค่อยกลับไปกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลยพอมาอยู่กรุงเทพก็ขุดรากของตัวเองมาปลูกไว้ที่กรุงเทพ แล้วก็ปล่อยให้ต้นไม้ใหญ่พายระหงซึ่งเป็นรากฐานที่มาของตัวเองคือคุณพ่อคุณแม่โดดเดี่ยวเปลวเหงาอยู่ที่บ้านทำอย่างนี้จะถูกไหมพระพุทธเจ้านั้นอยู่ห่างกับสมเด็จแม่คนละโลกก็ทรงหาวิธีที่จะไปโปรโ ด, ดสมเด็จแม่เราอยู่กับพ่อกับแม่ในโลกเดียวกันเรายังทําเป็นมองไม่เห็นพ่อแม่ของเราบางครั้งอย่าว่าแต่ห่างกันแค่คนละโลกเลยนะ ห่างกันแค่ฝาห้องกันพ่ออยู่ห้องหนึ่งแม่อยู่ห้องหนึ่งลูกอยู่อีกห้องหนึ่งลูกเคยโผล่ก็เป็นในห้องนอนของพ่อของแม่ไหมโผล่ก็ไปดูไหมว่าพ่อแม่นอนอยังไงที่นอนของพ่อของแม่ปูรเรียบร้อยไหมเนี่ยห่างกันแค่ฝาห้องกันเรายังไม่ดูไม่แลท่านนะฉะนั้นใครเป็นอย่างนี้เรียบกลับไปดูไปแลท่านให้ดีที่สุดก่อนที่จะไม่มีท่านให้ดูแล ฝึกเคลียร์งานไว้เยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่บ่อยๆนะฮะมีอยู่ปีหนึ่งอาจารตมาภาพกลับจังหวัดเชียงรายที่บ้านมีบ้านสองหลังหลังหนึ่งเป็นบ้านเดิมยมพ่อยมแม่อาหมายอยู่ตาหมาภาพเติบโ ต, ต, ตมากต่ บ, บ้านหลังนั้นหลังหนึ่งเป็นบ้านของพี่สาวย้ายเข้ามาปลูกใหม่ในบริเวณบ้านพอยมแม่สิ้นพ่อก็นอนคนเดียวพี่สาวก็นอนอีกหลังหนึ่งบ้านหันหน้าเข้าหากัน วันหนึ่งอันตราภาพกลับไปนอนบ้านในช่วงเดือนเมษาอย่างเงี้ยพี่ก็จัดให้นอนที่ห้องถงที่บ้านพี่สาวคุยกันเสร็จแล้วยมพ่อก็แยกไปนอนบ้านอีกหลังหนึ่งดึกดด่นคืนนั้นฝนตกพายุฟ้าขะนองฟ้าแลบแปราบฝนตกลงมาอย่างกระหลังคารั่ว ถ้ำกลางเสียงฝนเสียงฟ้าอาตมาภาพได้ยินเสียงยมพ่อไอเสียงไอของยมพ่อเล็ดลอดฝ่าสายฝนเสียงฟ้าเข้ามาถึงหูอาตมาอาตมาลุกขึ้นนั่งบนเตียงนะฟังเสียงพ่อดังแทรกเสียงฝนอาตมารู้สึกผิดขึ้นมาในใจว่านี่กี่ปีแล้วเนี้ยที่เวลาฝนตกฟ้าร้องหลังแม่เสียเราปล่อยให้ยมพ่อ นั่งโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงาอยู่ที่บ้านคนเดียวฝนตกฟ้าคนองอย่างนี้เต้เกิดยมพ่อเป็นอะไรขึ้นมาล่ะเป็นลมเป็นแลงมาใครจะดูจะแลกสะเทือนใจอาตามามากนะรุ่งขึ้นอาดมาภาพถามยมพี่พี่พ่อเนี่ยตื่นกลางคืนทุกคืนไหมไอบ่อยไหมพี่ก็บอกว่าบางคืนท่านก็ลุกขึ้นมาไอบางคืนท่านก็หลับรวดเดียวจบ บางคืนตื่นมาทีสองทีสามก็เห็นพ่อลงจากบันไดมาเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างอัตมาบอกว่าพี่เราทำแบบนี้กับพ่อไม่ถูกนะเกิดพ่อเป็นอะไรขึ้นมาท่ามกลางฝนตกฟ้าร้องอย่างเนี้ยเราเสียแม่ไปนคนหนึ่งแล้วนะตอนนี้เหลือผ้ารังหันในบ้านองค์เดียวเราจะต้องไม่ปล่อยให้พ่อของเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาอย่างนี้ท่ามกลางฝนตกฟ้าร้องอีก เมื่อคืนพี่ได้ยินไหมเสียงพ่อไอลอดสายฝนเข้ามาพี่สาวบอกไม่ได้ยินโอตายละ่ะเกิดพ่อเป็นอะไรขึ้นมาละ่ะจับไข้หนาวสันจะเป็นอะไรวันนั้นอนาจรย์มาภาเรียกพี่สาวทั้งสี่คนคุยกันบอกพี่บ้านหลังนั้นเก็บไว้ทำห้องอีกห้องหนึ่งให้พ่อที่บ้านหลังใหญ่แล้วเอาพ่อมานอนกับพวกเรานี่อย่าให้พ่อแยกไปนอนคนเดียว ถึงแม้บ้านหลังนั้นพ่อจะโตมาก็จริงอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแม่ดูแลพ่อแล้วอ่ะเอาพ่อมาอยู่ในชายคาเดียวกับลูกเราก็เลยตกลงกันระหว่างสามสี่พี่น้องทําห้องให้พ่ออีกห้องหนึ่งทําห้องน้ําใกล้ๆห้องพ่อไม่ต้องให้ท่านเดินลงจากบันไดาจากชั้นบนลงมาชั้นล่างอีกจนกระทั่งทุกวันนี้เวลาแตมาภาพกลับบ้านสิ่งหนึ่งซึ่งกัแตมาทำก็คือแตมาเข้าไปดูห้องนอนของยมพ่อ ไปดูว่ามีฝุ่นไหมผ้าปูที่นอนสะอาดไหมหน้าต่างเปิดรับลมไหมอาหารการกินพร้อมไหมโยมที่กรุงเทพเนี่ยชอบเอาแบรนด์ไปถวายตามาตามาก็ไปเอาถวายโยมพ่อนะเ <c oughs> นี่ยเพราะฉะนั้นเวลาตามากลับบ้านใครเอาของดีไปให้พ่อพ่อก็จะแบ่งให้ตามาเพราะอะไรพ่อก็คิดถึงลูกอยู่ลูกก็ยังคิดถึงพ่ออยู่ ฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าหากมีใครถามอาตมาว่าอะไรที่ทำให้ท่านอาจารย์มีความสุขมากที่สุดอาตมาจะตอบจะตอบว่าสุขมากที่สุดของอาตมาก็คือกลับบ้านแล้วยังเห็นพ่ออยู่ที่บ้านยังมีความสุขตอนที่ยมแม่อาตมาเสียอาตมากลับบ้านทุกครั้งที่กลับบ้านแม่จะยืนอยู่หัวบันไดแบบชาวบ้านชาวบ้านทอดตามองพระลูกชายในระยะสเมตรร้อยเมตรเดินเข้าปากซอยมา แม่เดินยิ้มภูมิใจวันหนึ่งแม่เสียไปอตาตมาเดินกลับเข้าบ้านไปทอดตามองไปที่หัวบันไดไม่มียอมแม่มองสวนลงมาเนี่ยอตาตมารู้สึกได้ดีว่าคนเป็นโรคกระพร้ามันเป็นอย่างนี้เรียนธรรมะมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก้อนสะอื้นแล่นเป็นเรียวๆจากท้องขึ้นมาจุกอยู่ที่คอรู้สึกแล้วว่าลูกที่มองขึ้นไปแล้วไม่เห็นจุดที่แม่เคยอยู่ มันปวดปลาแค่ไหนในความรู้สึกตอนนี้ธรรมภาพเหลือพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งพยายามจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดเดินหนึ่งธตรมภาพกลับบ้านอย่างน้อยสามถึงสี่ครั้งค่าเดินทางนั้นก็เรียกว่าเอามาสร้างกุฏิใหญ่ๆได้สักหลังหนึ่งแต่เงินนั้นหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าพ่อไม่อยู่กับเราแล้วคุณจะหาพ่ออย่างนั้นได้อีกจากที่ไหนใช่ไหมฉะนั้น ก็อยากจะถามเราท่านทุกผู้ทุกคนว่าพ่อแม่อยู่กับเราในโลกเดียวกันเราเคยชะเง้อหน้าไปมองพ่อไหมว่าในห้องนอนนั้นพ่อกับแม่นอนกันยังไงในห้องนอนนั้นพ่อกับแม่อยู่กันยังไงบนเตียงนั้นมีใครคอยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้พ่อแม่บ้างไหมอตาตมาพักซื้อผ้าปูที่นอนไปให้จนมพ่อปีละสามสี่ครั้ง ซื้อซื้อผ้าไปให้จนพี่สาวเตือนว่าตอนนี้จะเปิดร้านได้หนึ่งร้านนะอาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรหน้าที่ของลูกคือซื้อของที่ดีที่สุดไปให้พ่อหน้าที่ของพ่อคือสวมถ้าไม่สวมก็เรื่องของพ่อเรื่องของลูกคือทําดีต่อพ่อต่อพ่ อ, ต, อ, พอต่อแม่ให้ดีที่สุดถ้าทําได้อย่างนี้แล้ววันหนึ่งเมื่อท่านลงรับดับขันไปไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าไม่ได้ทําดีเพื่อพ่ออีกปีหนึ่งก่อนที่ยมแม่อาตมาจะเสีย ยศแม่บอกอาตมาว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่พูดประโยค น, นี้ได้เมื่อถึงหกเดือนแม่ก็เสียเวลาตาหมาคิดถึงแม่ตาหมาก็คิดถึงประโยค น, นี้แหละว่าแม่เคยบอกเราแล้วว่าทุกวันนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่ก็แส ด, ดงว่าแม่พอใจที่เราดีต่อท่านเชนั้นท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกควรจะดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อกับแม่พูดออกมาว่า แม่ภูมิใจที่สุดที่ได้โลูกมาเป็นลูกแม่มีความสุขที่สุดที่มีลูกคนนี้มาเกิดกับแม่ต้องทําให้ได้ถึงขนาดนี้เราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูที่แท้จริงในการกรตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณนั้นเราทํากันได้หลายวิธีทั้งหนึ่งก็คือเลี้ยงกายปรนนิบัติพระวีท่านให้ได้กินอิ่มนอนอุน่นทั้งหนึ่งก็คือเลี้ยงใจเป็นคนดีให้ท่านเห็น ทำสิ่งดีๆฝากไว้ให้โลกแล้วพ่อแม่จะมีความสุขใจที่ได้เห็นลูกของท่านเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตที่งดงามลำเลิศดอกไม้ที่หอมที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คือดอกไม้ที่ชื่อลูกกระตันยูดอกไม้ที่เหม็นที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คือดอกไม้ที่ชื่อลูกเนรคุณพ่อแม่จะมีความสุขที่สุด ถ้าได้เห็นว่าลูกตัวเองนั้นเป็นลูกที่มีความกตันอยู่พ่อแม่จะทุกข์ที่สุดถ้าได้ตระหนักอย่างดีว่าลูกของตัวเองนั้นเป็นลูกเนือคนฉะนั้นหากเราอยากจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ในทางหนึ่งก็คือเลี้ยงดูท่านทางกายอย่างดีที่สุดให้ท่านได้กินอิ่มนอนอุ่นเหมือนเราสองเลี้ยงดูท่านทางใจเลี้ยงดูท่านทางใจนอกจากจะเป็นคนดีให้ท่านเห็นให้ท่านได้ชื่นใจแล้ววิธีที่ดีที่สุด คือพาพ่อแม่เข้ามาสู่เส้นทางธรรมพ่อแม่ไม่มีศีลพาท่านมาฝึกรักษาศีลพ่อแม่ไม่มีศรัทธาชวนท่านให้มีศรัทธาพ่อแม่มีความเตือนดีฝึกท่านให้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันพ่อแม่ไม่เคยเจริญสมาธิภาวนาฝึกท่านให้ได้เรียนรู้ศิละปะของการหายใจอย่างมีสติ สถาปนาพ่อแม่ไว้ในธรรมนั้นคือการกรตัญญูต่อพ่อแม่อย่างสูงที่สุดพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าลูกที่ตระหนักรู้ถึงพระคุณของพ่อของแม่เอาพ่อแม่วางไว้บนบาขวาคนหนึ่งวางไว้บ่าซ้ายคนหนึ่งด้วยความเทิดทูนอย่างสูงสุดให้ท่านกินนอนอุดจาระปัสสาวะรถบาซ้ายบา ข, าขวาของลูกตลอดร้อยปี ทำขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ชื่อว่ากตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อเมื่อใดก็ตามลูกพาพ่อแม่ที่ไม่มีศีลมารักษาศีลพาพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มามีศรัทธาพาพ่อแม่ที่ตรนีทีเหนียวให้รู้จักการให้และพาพ่อแม่ที่ไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมาฐานให้มาเรียนรู้การเจริญวิปัสสนากรรมาฐาน พูดง่ายๆว่าทําพ่อแม่ไม่มีธรรมะให้มีธรรมะได้สําเร็จเมื่อไหร่นั่นแหละคือการทษใช้หนี้บุญคุณที่สําเร็จและสมบูรณ์ที่สุดในทัศนะของพุทธศาสนาฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคุณลูกได้มาฟังธรรมะบรรยายในวันนี้ครั้งหน้าพาพ่อพาแม่มาด้วยฝึกไว้นะฝึกไว้ทําได้อย่างนี้เราได้ชื่อว่าเป็นลูกกระตันยูของคุณพ่อคุณแม่แล้วละ่ะนะ มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งของคนจีนว่ากันว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งสุภาษิตของคนไทยซึ่งตัดตอนมาจากพุทธว จ, จนะก็ mm hmm. บอกว่ากัตัญญูกะตะเวทีนิมิตังสาทุรูปานังกตัญญูกัตะเวทิตาเนี่ยนะ นิมิตตังสาทุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอัตมภาพคิดว่าสุภาษิต จ, จีนที่ว่าร้อยความดีมาเป็นที่หนึ่งก็ดีสุภาษิตของพุทธศาสนาที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีก็ดีน่าจะเป็นคำสำคัญที่สุดซึ่งในชีวิตนี้เราท่านทุกคนจะต้องตีความให้แตก แล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกระตันย์โยนะก็ยังชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลวฉะนั้นขอฝากคำว่าร้อยความดีความกระตัญญูมาเป็นที่หนึ่งและความกระตัญยูกตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเอาไว้เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราท่านทุกท่านทุกคนไว้ในที่นี้ด้วย อาตมภาพได้ใช้เวลาบรรยายทำเรื่องร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งก็สมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขออเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยมารวมกันเป็นตบะเดชพระละวัปัจจั ย, อ, อ, ยอ่ำนวอยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นสุริมงคลเช่นนี้จังมีความเจริญงอกงามในร่วมธรรมในการดำเนินชีวิตประกอบไปด้วยเจตุรพิธัก์พรชัยคืออายุวรรณะสุขาภละ ปฏิพาณธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน